สำหรับผู้ใหม่ที่มาให้ทราบวิธีในการถวายของกับพระเรื่องเงินทองเนี่ยถวายกับพระโดยตรงไม่ได้นะพระตถาคตตรัสไว้อย่างนี้ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสักยญปารจิตีถ้าโยมยื่นเงินให้กับพระเนี่ยนะ แล้พระรับเนี่ยพระต้องอบัตไฝจิตีเงินทองที่รับมาได้นั้นเป็นนิสกีต้องสลัดทิ้งท่ามกลางสงฆ์เขนะ้าใจไหมนั้นทำความเข้าใจกันใหม่นะนี่ศาสดาบัญญัติไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าบัญญตัติให้ภิกษุทุกครูไม่เกี่ยวกับ น, นิกายนิกายอะไรผู้เจ้าไม่ได้บัญญตัติเรื่องนิกายนี่เป็นธรรมวินัยที่ใครเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องประพฤติอย่างนี้หมดนะก็คือให้ รับเจตนาเนี่ยได้จะเป็นด้วยวาจาด้วยด้วยกายก็คือเราจะเขียนบอกไว้ก็ได้นะและทานของสัตบุตรคือคือให้ด้วยมือของตนนะเรามีพสูตรติดไว้ที่เสาเนี่ยนะให้ด้วยคออรบให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้ น, ะนี่คือลักษณะของสัตบุตษที่ให้ทาน แลอ น, นิสงก็จะได้ความเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามนะอันนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินอ น, นิสงตรงนี้ที่พระเจ้ากตรัสไว้เป็นผู้มีภพกรนะซับเป็นผู้ที่บริบรวารชนเนี่ยของเราเนี่ยจะเชื่อฟังถ้อยคำคำสั่งของเรานะบุตรภรรยาฆ่าทาสมารมรคนใช้อันนี้เป็นอ น, นิสงของการให้ทานโดยเคารพโดยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเด่นนะอ่า เวลาการให้เนี่ยเคยมีเจ้าวัตถลิชวีเนี่ยเขาเาสัทธานิครณ น, นะริพพาชกคนหนึ่งแล้วก็นิครณคนเนี้ยเขาก็จะมาโตวบาท่ากับพู้เจ้าแล้วเขาจะล้มวาทาของผู้เจ้าให้ได้จนที่สุดแล้วเขาก็ล้มวาทาผู้เจ้าไม่ได้กลายเป็นว่าเขาเนี่ยพ่ายแพ้อุสาเอาพระ พ, พาเจ้าวัทถาลิชวีมา เจ้าิชวีมาต้อง500เสร็จแล้วเราก็สั่งเจ้าิชวีให้ถวายอาหารให้เขาแล้วเขาเจะเอาอาหารนีถวายผู้เจ้าแล้วเขาก็บอกว่าขอเจ้าิชวีเนี่ยจงได้นิสงในทานอันนี้กับผู้เจ้าผาู้เจ้าบอกไม่ใช่เจ้าิชวีเนี่ยจะได้นิสงตามที่ถวายแก่ท่านผู้ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่แต่ท่านเนี่ยจะได้อ น, นิสงนะ ที่ได้ถวายกับเราผู้ปราศ จ, จากความโรคปวดลงเนีคือนะแทนที่เจ้าลิชวีเนี่ยจะถวายกับผู้เจ้าโดยตรงก็จะได้นิสงโดยตรงนะกลับไปถวายผ่านนะนิโครนแล้วก็นิครนเนี่ยเอาอาหารนั้นให้กับผู้เจ้าอีกทีหนึ่งกลนะายเป็นนิครนเนี่ยได้นิสงนะกับการถวายต่อพระศ า, ศาสดานะแต่เจ้าลิชวีจะได้นิสงเหมือนกับการถวายกับนิครน เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นลักษณะการให้นะก็การรับของเนี่ยรับมือต่อมือได้ไม่มีความผิดอะไรนะจะรับด้วยของนึ่งด้วยกายก็ได้รับด้วยกายด้วยตรงก็ไดนะ้ให้เราทราบไปว่าอพระองค์เคยตรัสกับอุบาลีว่านะเขาให้ด้วยกายเนี่ย ลักษณะเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยของนึ่งด้วยกายเรารับไม่ถึงเราก็เอาผ้าเอาไม้เอากระดาษาต่อหนึ่งนะเขาก็ให้ไม่ถึงเขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายอีกต่อหนึ่งเราก็รับด้วยกายโดยตรงได้เขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเรารับด้วยของนึ่งด้วยกายอีกต่อหนึ่งก็ได้อย่างที่ห้าก็โยนไปนี่ก็เป็นการให้ผ้าอย่าง ้เราจำให้ครบถ้วนเดี๋ยวจะไปคิดว่าจะต้องมีของเล่นด้วยกายอย่างเดียวแล้วก็ไปใช้สัญญาเก่าแล้วก็เอามาใช้ไปกับทุกที่ทำให้กลายเป็นว่าเราไปยึดในสิ่งที่ถูกไม่ครบถ้วนน ะ, นะก็หลายๆอย่างที่เราทราบและถือปฏิบัติกันมา <c oughs> ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะมาแก้ไขด้วยพุทธวจนะดังนั้นคําว่าพุทธวจนะคือคําที่พระศาสดาพูดออกจากปากโดยตรงจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่เราจะต้องเข้ามาศึกษาไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องศัจจความสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยควรจะทําอย่างไรให้เงินกับพระควรไหมไม่ควรเอาพระเจ้าบัญญติพระเจ้าบอกวิธีคือให้ผ่านวิยาวชกรผู้ทํากิจตุลาแทนสงนม ซื้อขายแลกเปลี่ยนอีกสองข้อเป็นนิสกีปฏิตรีอันสองอีกทั้งสองข้อมีในเมธน ก, การอนุ ญ, ญาตอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุเนี่ยยินดีกับพิยพันธ์ของที่สมคุรเนี่ยกับกับพิยาการกบุพลผู้สมควรได้จะมีนิสกีข้อหนึ่งที่ผู้นำเงินมาจะถวายกับพระนพระราชาฝากเงินมาให้ ถวายทีวอให้กับพิสุโดยเอาเงินนี้มาทําทีวอนให้พิสุพูดนั้นมาถึงพิสุก็ยื่นเงินให้พิสุพิสุต้องปฏิเสธว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายทีวอไม่พวกเรารับแต่ทีวออันเป็นของคุณโดยการพูดนั้นเนี่ยเมื่อไม่สําเร็จประโยชนนะ์ก็เลยต้องถามว่าก็ใครๆผู้เป็นวายาวจักรของท่านมีหรือคำว่าวายาวัจักรมาจากพระสูตรนี้นะ่ะ ก็คือมีใครไหมที่ช่วยทํากิจุรารแทนใคนครั้งได้พิสูจต้องการจีวรไม่ล่ะถ้าพิสูจน์ต้องการจีวรวผู้เจ้าบอกพึงแสดงพึงแสดงชนผู้ทําการในอาราหรืออุบาสกให้เป็นวิยาพัชกรด้วยคําว่าคนนั้นแหละเป็นวิยาพัชกรของพิสูจน์ทั้งหลายประโยคแค่นี้มีอะไรได้บ้างนั่นแสดงว่าถ้าเราแสดงชนทําการในอาราคือคนที่ช่วยงานวัดเนี่ยเราจะแสดงอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ได้ แต่ถ้าแสดงคนที่ไม่ใช่คนทําการในารามผู้เจ้าให้แสดงเฉพาะอุบาสกไม่ได้อนุ ญ, ญาตอุบาสิกา <c oughs> แล้วผู้เจ้าก็อนุ ญ, ญาตให้ทวงได้3ามครั้งด้วยวาจาถ้าสําเร็จประโยชน์ก็ดีไปถ้าไม่สําเร็จประโยชน์ก็ให้ทวงด้วยกายคือไปยืนนิ่งต่อหน้าไม่เกิน6ครั้งให้เขานึกได้เองถ้าทํามากกว่านั้นปรับอบัติภิกษุ สิ่งที่ทำได้ก็คือไปบอกเจ้าของเงินว่า <c oughs> <c oughs> เงินที่ให้มาเนี่ยไม่สาเร็จประโยชน์ให้เจ้าของเงินเนี่ยมาทวงคืนเราซักกับวิวยาวิจกรไปซ ะ, ะอันนี้ก็เป็นการเกี่ยวข้องของพิสูจน์กับเรื่องเงินทองอบัตก็จะมีแค่นี้มันก็นให้ผู้ใหม่ได้ทราบจะไดะ้ปฏิบัติได้ถูกต้อง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 กัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เราคือตถาคตเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุคคลพวกสุดท้ายของเราเลยนะอย่าเป็นคนสุดท้ายในคำสอนของพระองค์นะคำสอนมันจะถูกบิดเบือนไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยแล้วเราก็จะรู้ผิดถ่ายทอดผิดไปทีเล็กทีน้อยเรื่อยๆอย่างนีนะ้นะวันนี้อาตมาก็ไม่เป็นคนสุดท้ายแนละ้วอาตมาถ่ายทอดให้พวกเราไปแล้วนะพวกเราก็ไปถ่ายทอดต่อนะเพราะนั้น หนังสือที่แจกไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีคำสอนอาจารย์คลิสต์ไม่มีมีแต่พุทธวจนะและจริงๆสาวกไม่มีคำสอนนะคำสอนต้องถูกทรงจำมาจากปากของผู้เจ้าโดยตรงเพราะนั้นในครั้งพุทธกาลเขาจะทรงจำแต่คำที่ออกจากปากของพระตถาคตและก็ถ่ายทอดการรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆนะพระองค์จึงบอกว่าถ้าทรงจามาถูกความหมายถูกอธิบายถูกเนี่ย เป็นความตั้งมั่นของพระสัทธรรมข้อที่1และข้อต่อไปก็คือภิกษุต้องเป็นผู้ว่างง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความกลนักนี่ยข้อที่3ผู้ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะคือทรงจํามาอย่างดีแล้วเนี่ยต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายดังนั้นเมื่อมีชนทั้งหลายมาที่วัดนาปา่าพงอัตมาสมณะสักยะปุตติยะผู้หนึ่งบุตรของสมณะในสักยะตระกูล ก็จะถ่ายทอดคำพระตถ า, าคตให้พวกเราฟังเสมือนหนึ่งว่าโยมได้ยินต่อหน้าพระาศาสดาอย่างนี้นะพระทำหน้าที่แค่นี้อย่าไปทำหน้าที่อย่างอื่นไม่ต้องไปแต่งเองไม่ต้องไปบรรยัญิญเองพราะพระาศาสดาสั่งห้ามภิกษุทุกลูปทั้งหมดภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากไม่บรรยัญญิสิ่งที่ไม่เคยบรรยัญญิภิกษุทั้งหลายจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัิไปแล้ว อากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนั้นคำสอนสาวกมีไม่ได้นะมีแต่คำสอนพระาศาสดาสาวกจำคำพระาศาสดามาถ่ายทอดเอามาปฏิบัติดังนั้นเวลามีใครถ่ายทอดบอกสอนอะไรก็ตามพระตถาคตจึงตรัสว่า เธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าพึงรับรองเขานะอย่าพึงคัดค้านเขาจําให้ดีเขาพูดอะไรแล้วเอาคํานั้นเนี่ยไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้แสดงว่าภิกษุนั้นเนี่ยจำมาถูกจํามานะไม่มีคําสอนสาวกไม่มีจําจากพระศาสดามาถูกแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าภิกษุนั้นเนี่ยจำมาผิดให้เธอละทิ้งคําของเขาไปเสียอย่าสืบต่อ เพราะไม่งั้นศาสนาจะถูกบิดเบือนไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเนื้อไม้อื่นที่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองพระองค์เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศ ร, ร, ศ ร, ร, ศ ร, รหาหะชื่ออานากานั้นมีอยู่กลองนี้เมื่อตีไปตีไปในในที่สุดมันก็แตกกษัตริย์ทศ ร, ร, ศ ร, รหาหะก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกนั้นทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุด เนื้อไม้เดิมของตัวกล่องก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นนะชั้นใดก็ชั้นนั้นในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุไม่สนใจคําตถาคตแต่กลับไปสนใจคําที่แต่งขึ้นใหม่หรือคําของสาวกนะแต่สุดตันตะเราใดที่เป็นคําตถาคตภิกษุจะไม่ฟังไม่เงี้ยวหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงลักษณะนี้แหละคือลักษณะที่จะเป็น ความหายไปของคำตถาคตดังนั้นในยุคนี้ยมลองดูว่ายมหาหนังสือที่เป็นพุท ธ, ธวจนะไม่ได้นะแปลกมากเพราะอะไรเพราะว่าพระไม่พยายามที่จะถ่ายทอดคำของศาสดาตัวเองนะเวลาตัวแทนของพุทธไปพูดที่ไหนไม่ยกศาสดาตัวเองว่าศาสดาตัวเองบัญญัติอย่างนี้ แต่เวลาศาสนาอื่นเขาจะยกศาสดาเขาศาสดาชั้นบัญญัติอย่างนี้ศาสดาชั้นบัญญัตินี้พุทธชาวพุทธต้องเหมือนกันศาสดาพูดอย่างนี้อย่างนี้นะนั้นถ้าเราทุกคนพุทธบริษัททุกคนทําได้อย่างนี้พระทุกรูปพุทธบริษัททุกคนเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาเราคุยธรรมะไม่ต้องถามกันว่าเธอสายไหนฉันสายนี้เธอสายนี้นะเธอปฏิบัติอย่างไงฉันปฏิบัติอย่างนี้จะไม่มีคําเหล่านี้เพราะทุกคนนะ จะฟังจากพระธรรมโคดองเดียวกันพระเจ้าพูดยังไงเราจะพูดอย่างนั้นพระองค์สอนอย่างไรเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นันน้นสายนิกายมันจะหมดไปใครก็ตามแต่งอะไรขึ้นมาเราไม่ไปยึดถือซะสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปแต่ถ้าเราไปยึดถืออยู่นะสิ่งที่มนุษย์ยุคหลังแต่งขึ้นใหม่มันก็จะดํารงอยู่ได้นะมันจะเปรียบเนื้อเหมือนเนื้อไม้ใหม่นะเนื้อไม้อื่นที่ทําเป็นลิ่มตีเสรินก็เป็นรอยแตนะ่นั้นถ้าเรา ทราบเหตุของความอันตธานของคําตถาคตแล้วก็พยายามแก้ไขเหตุอันนั้นพระองค์เลยจัด บ, บอกเหตุของความตั้งมั่นไว้แล้วว่าให้ศึกษาแต่คําตถาคตพุทธวจนะจึงเป็นสิ่งสําคัญนะที่พวกเราต้องเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้และผู้ที่ช่วยกันประกาศคําของตถาคตพระองค์ก็จัดเป็น1ในรัตนาหแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลก อรหันตสัมมาสัมพุทธะหนึ่งผู้ประกาศคำตถาคตหนึ่งผู้ที่ ป, ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในคําตถาคตผู้รู้แจ้งในคําตถาคตผู้มีความกตันยูกตาวทีนะและนอกจากนั้นยังเป็นบุคคลสามอย่างพวกที่หาได้ยากพระองค์ตรัสว่าหนึ่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2ผู้ที่ประกาศคำตถาคต3ผู้มีความกตันยูกตาวที3มบุคคล น, นี้หาได้ยากในโลก นั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเป็นผู้ที่ประกาศคำตถาคต น, นะทรงจำได้ให้คล่องปากขึ้นใจเอาไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะถึงยังไม่บรรลุในชาตินี้พระองค์บอกแม้เธอจะขาดสติเวลาตายขาดสติหลงลืมทาการละก็ยังจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและจะได้บรรลุธรรมในภพของเทวดานี่เป็นอนิสงของการทรงจาคาของพระตถาคตได้ซึ่งเป็นอนุสาสนีปัฏีาน พวกเราทราบข้อมูลต้องมีไว้ มสุธีหรือทิโกเรานะได้ทำแอปพลิเคชันตัวใหม่มานะที่จะรวมเฉพาะ เ, าเรื่องสำคัญสคัญเช่นอะไรนะลงนี่คือถ่ายทอดสดนะอันนี้ดูมีดูถ่ายทอดสดอันที่หนึ่งอันที่สองอะไรนะหนังสือนะหนังสือทั้งหมดที่เราทำไว้10เล่มเล็กนะจากพระโอดอะไรเียจะ อ, อยู่ในนี้ทั้งหมดนะอันต่อไป อันนี้ดูวิดีโอนะอันต่อไปคือเลยฟัง MP3 นะอีกอันคื อ, อปฏิทินนะกิปที่ในวัดว่าจะมาอยู่บรรยายธรรมที่ไหนบ้างนะเราจะได้มาพบได้สะดวกนะอย่างตรงถ่ายท่อสดลองดูถ่ายท่อสดลองเข้าไปดูอันนี้ก็มีภาพจะมานั่งถ่ายท่อสดอย่างก็ดูได้ตลอดนะอ่า ไปได้ทุกที่ถ้ามี Wi-Fi ใช่ไหมใช้ Wi-Fi นะเอะอันนี้ต้องใช้ Wi-Fi ไหมไม่ต้องอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็ได้อ่าอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้นะอ่ายมสุทธีเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรกับที่ธรรมศาสต ร, ร์นะสองที่จบปริญญาเอกเัื่องการเขียนโปรแกรมมาก็เลยช่วยทำโปรแกรมตรงนี้ให้นะก็กาลังพัฒนาไปเรื่อยๆนี่อยู่ในขั้นตอนทดลอง รล้วก็เลยต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเพื่อทดลองมาใช้แล้วก็บอกอข้อบกพร่องให้เขาไปแล้วก็ปรับแก้ไขเขียนโปรแกรมใหม่เพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะก็เลยล่าสุดอยากให้โยมได้ชม <c oughs> อตาตมาก็เพิ่งสร้างพอดีนะติดต่อได้ที่ติดต่อก็ ถ้าถ้าเสร็จแล้วก็คือเข้าไปใน App Store นะแล้วก็คีย์คำว่านะพุทธรรวจนะยังไม่ได้ตั้งนะอ่ายังไม่ได้ตั้งชื่อใหม่ๆอุ่ น, นๆเลยนะก็เหมือนกับโปรแกรมอ e ีทพิทักษะพอเราเข้าไปใน a อป Store แล้วคีย์คำว่า <S <S พุทธวจนะภาษาไทยเนี่ยเข้าไปก็จะได้แอปพลิเคชันที่มีอีครึ่งหนึ่งธรมธรมจักรครึ่งหนึ่ง ในนี้จะบรรจุข้อมูลบาลีสยามรัฐภาษาบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่มที่ทําตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าที่รห้าเนี่ยนิมนต์พระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนจากอักขละของมาเป็นอักขละสยามตัวอักขละของเนี่ยรัชกาลที่1ทําไว้ด้วยการประชุมพระ200กว่ารูปทั่วประเทศเนี่ยลอกพระไตรปิฎกใหม่ทั้งหมดเพราะตอนนั้นอยุธยาถูกเป่าข้อมูลหมด ก็ยืมพระไตรปิฎกจากลาวจากรามันมาแล้วก็ให้พระสองร้อยพรูปเนี่ยลอกใหม่ทั้งหมดใช้เวลา6เดือนเสร็จนะตรงนี้ก็ตกทอดมาถึงรหัสรหก็เปลี่ยนกลับมาเป็นอักษรสยามนะแล้วก็จนมาถึงเป็นพระไตรปิฎกปัจจุบันเนี่ยนะเป็นภาษาไทยก็เสร็จเมื่อปีพศ2อ0 0นะทุกๆราชการก็ทยอยแปลกันมาเรื่อยเรื่อยเอยเสร็จราชการละหเล่ม10เล่มบ้างอะไรอย่างนี้นะจนเสร็จเมื่อปี2อ0 0ดังนั้นศา ส, สนาพุทธเนี่ยเรามี หลักฐานข้อมูลที่ชัดเจนที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่ยุคเาวินาโซก์คนะือตั้งแต่พระเจ้าโศสมหาราชอยู่ประมาณ200ปีหลังพุทธเจ้าปรินิพานนะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครมาอธิบายให้พวกเราได้ทราบมันเลยรู้สึกว่าศา ส, สนาพุทธเป็นอะไรที่ไกลเกินเอื้อมมัน2อ0 0ักว่าปีเหมือนไกลแต่จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยถูกถ่ายทอดตกทอดมาเป็นอย่างดีนะผู้นําประเทศทุกๆยุคนเนี่ยช่วยกันส่งไว้ส่งไว้รักษาไว้แล้วก็ทําเป็นอย่างดีนะ รอห้านี้แจกไป260แหงทั่วโลกเลยท่านจะมานำเครื่องอัตมาไปลงโปรแกรมวันนี้มีกลุ่มอาสาช่วยทำงานหนังสือนะจะสัจชายพรพสูตรละเชิญนะสัจชายคือการสาธยายทมขออนุญาตพวกเราที่เตรียมมาฉันนั่งข้างหน้าเลยนะครับกลุ่ม ธรรมชนะชะตาก็เป็นผู้ตรวจพุทธวัจนะครับเล่มที่ยี่สิบห้าก็มีอาสาเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับอันนี้เป็นตัวแทนนะฮะเชิญเลยครับพเพราะจะได้ไม่เสียเวลาเชิญเลยครับเอาไมเอาไม้มาด้วย งานทั้งหลายก็สำเร็จจากกุมอาสานี่แหละช่วยๆกันเอาไม้เีกตัวอสองแถวสองแถวไม้เมีกตัวลูกหมดแล้วอ่ะตัวแทนที่เตรียม อันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มธรรมชาตตาครับเพาะทั้งหมดทั้งเรามีประมาณ40กว่าคนคอันนี้ก็จะมาสวดพระสูตรซึ่งอ น, นิสงส์พระอาจารย์ก็ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วจะเริ่มโดยใช้เวลาประมาณ2นาที41วนาทีครับนะครับูที่้นส้างเลยครับแค่เงี้ยูฟังก็ได้แล้วนะครับก็ตต้งบิดที่อย่างรวดเรครับเดินเลยครับใช่ อาโนนความคิดอานี้แกพวกเธออย่างนี้ว่าคำวินัยของพวกเรามีพระศาสดาร่วมรับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาอย่างนี้อาโน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอาโนนทาก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแกพวกเธอทั้งหลาย ทำวิญญาณนั้นจักเป็นศัสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราทิ้งสู่ทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีคว า, ามเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอ ดังนี้อีมาสเ ม, ม, ส, มสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอีมาสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแทงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอีมาสเมสอาสติอีทางนัภโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี ดีมัสสะนิโรธา อ, อิทงังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสามมาปัตสังนิพินติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่าย น, น, นันทิขยาราคะ ข, ขยโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ราคะขยานันทิขยโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึ ง, งมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทินนทราคะขยาจิตตังสวิสสมุตติพุทจินิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและแลราคะกลา่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดัง hey. นี้ ก็ะจะให้ไปปฏิบัติด้วยนะ ส, ส, สีช็อตเนี่ยีคำถามด้วยนะค ะ, ะนีค า, าอ น, นโมทนากับผู้มาสัจชายะนะจะไ ด, ได้ช่วยกันทรงไว้ซึ่งคำของพระตถาคตนะพระสูตรที่ได้สัจชายะไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพระสูตรที่มีประโยชน์มาก การลกความเพลินพนะระตถาคตตัดไปบ่อยมากนะกฎอิทับปัจจยตาเป็นสิ่งที่พระองค์สาธยายด้วยพระองค์เองเวลาอยู่วิเวกหลีเล่นผู้เดียวเพราะนั้นถ้าเราต้องการสาธยายทำตามพระาศาสดาก็สาธยายกฎอิทับปัจจยตาสาธยายปฏิจจสมุปบาทเราทรงจำได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะ เชื่อมโยงธรรมะได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าชีวิตประจําวันของเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสายปฏิจจสุบาทั้งหมดเลยผัสสะกระทบปั๊บจะเกิดเปรนาจะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเราจะเห็นอาการเหล่านี้ทั้งหมดนะีแล้วศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้จริงๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตา ม, ตามกันมานะีแต่เราพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง เป็นปั จ, จตันคือรู้เฉพาะตนเป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองไดนะ้ก็จากนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมเห็นว่าอาน้ำวนอาน้ำวนสัจชยะเหรออ่อาอเชินน้ำวนพระสูตรที่หกับพระสูตรที่เจ็ของส0บพระสูตรอ่าได้ได้ีหกกับเจ ว่าไปเลย 6. กทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตอัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้พิกษุทั้งหลายพิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญตัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจกไม่เพื่อถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากสมาธานในสิขาบทที่บัญญัติไว้อย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกษุทั้งหลาย หวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเจ็ดสําเึกเสมอว่า ต, น เ, เตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้นถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิ่ทางปัญญาก็ตามภิกษุทั้งหลายแต่หาคตผู้อรหัตตะสัมาสัมพุทธะได้ทรมาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทรมะที่ยังไม่มีใครรู้ ให้มีคนรู้ได้ทำมัคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมัคที่กล่าวกันแล้วถ้าถาวคตเป็นผู้รู้มัคมัคคันยูเป็นผู้รู้แจ้งมัคมัคคาิทูเป็นผู้ฉลาดในมัคมัคคโกวิโทสวดภิกษุทั้งหลายส่วนสซวรทั้งหลายในการนี้เป็นผู้เดินตามมาัคมักคานุขาผู้เดินตามมาในภายหลัง ทิสูดทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแพกแตกต่างกันเป็นเครื่องกระทาให้แตกต่างกันระหว่างตาธาคออาตอรหันตสัมมาสัมพุทธะปทิกสุ ป, ปัญญาวิมุตต์จบนะเอ็งมากนะมบุนวันนี้ไม่มีหมู่คณะมาด้วยหรอ <c oughs> มีเหมือนกันนะ <c oughs> มีก็สูตรไหม <c oughs> มีเอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่า ว่าเป็นเลยว่าถมทำหน้าห้าิค่ะเข้าใจทำเพียงมดเดียวก็เพียงพอค่ ะ, ะไดะ้บ้างไงคำ น, นี้เพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักดเดียวนั่นก็นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายตลอดกาลนาน่อสาธุหรือไม มอเช้าเห็นแบบแบบใครนะน้องคีนหรือเปล่าน้องคีนยังอยู่ไหมเนี่ยกลับไปแล้วแล้วอันนี้มีเยาวชนเราหลายคนนะเจ็ดแปดขวบเกนะ้าขวบสิบขวบนะสาธยายพุทธจชนะได้แล้วได้คล่องแล้วนะ ก็สงสัยอะไรก็ได้มาซักถามอยู่เรื่อยๆนะต่อไปก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีธรรมะแล้วก็มีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราให้พวกนี้เป็นใหญ่เป็นโตกันะ <laughs> จะได้นำพาบ้านเมืองไป กราบนมัสการพระกุณนเจ้าค่ะยมีข้อสงสัยอยากจะถามว่าในครั้งสมัยพุทธกาลนะคะ่ะพระพุทธเจ้าได้หรือว่าหลังจากนั้นเล็กน้อยอะคะ่ะได้ได้มีการมีการทำบุญในวันมาคะบูชาแล้วก็วันวิสาขาบูชาวันอาสันะบูชาอย่างไรค่ะ การคือในในครั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้มีวันอะไรกําหนดตรงนี้ตรงนี้เรามากําหนดทีหลังกําหนดจากเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอย่างเงี้ยอ่ากำหนดเป็นเหตุการณ์เพื่อให้ให้ได้มีโอกาสร ะ, ะลึกถึงนะเหมือนอย่างสถานที่ที่รัฐตากลตบอกเป็นที่ที่ควรไปอ่าไปเยี่ยมเที่ยวชม ก็คือสังเวชนียสถานสีหรือสถานที่ที่กษัตริย์จะจําได้ตลอดชีวิตคือที่เกิดและที่ที่สองที่ตนเองได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ที่สามที่ตนเองรบชนะฆาศึกภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยก็จะจำสามสถานที่สถานที่สามแห่งได้เหมือนกันคือที่ที่เกิดของตนเองคือที่ที่บวชเป็นภิกษุ ที่ที่ตนเองเนี่ยนะรู้อริสสีนะและที่ที่ตนเองเนี่ยรบชนะข้าศึกก็คือประหานกิเลสได้สิ้นสุดเป็นพระหานะก็จะจําสถานที่สามแห่งนี้ได้ตลอดชีวิตนึ่งนี้ทีนี้ที่เราทํากันมามันก็เราก็บัญญัติขึ้นทีหลังหรอคะเราทําต้องถามว่าเราทําอะไรถ้าเราหนึ่งเรามาถวายทานเรามารักษาศีลเรามาเจริญสมาธิ เรามาเจริญปัญญาด้วยการเห็นการเก็ดดับวันนี้พวกองค์บัญญัติไว้อยู่แล้วเราก็คือมาประพฤติธทรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเองนะมีทานศีลภาวนานะแล้วในครั้งพุทธกาลมีการบวชเนมไหมคะมีนะแล้วเนนจะอายุเท่าไหร่คะไม่ได้ระบุตัวเลขอายุก็คือระบุว่าพอไล่กาได้ สั่งให้ไปไล่การวิ่งไปไล่ได้เป็นแบบผู้รู้เรื่องแล้วพู้รู้เรื่องแล้วการบวชหน้ามีการแหรอะไรเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะไม่มีน ะ, ะไม่มีผู้บวชก็คือเข้ามาสู่คณะสงฆ์แล้วก็่คณะสงฆ์ก็จะกระทํามทอปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เช่นถามอันตรายที่กระทามอันตรายต่ อ, อการบวช เช่นว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่านี่นมีสิทธิ์ไหมเป็นข้าราชการไม้มจะเป็นต้องมีใบอนุญาตมาให้เรียบร้อยมีกา ร, รสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนถามให้เรียบร้อยแล้วก็รับข้อพัญญัติต่างๆได้ไหมอย่างนี้น มีใครมีข้อสงสัยในทางพุทธศาสนาถามได้ทุกเรื่องนะน้มสการค่ะพระอาจารย์พอดีหนูฟังที่พระอาจารย์ไปบรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆพระอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องการขโมยธรรมที่เป็นที่อยู่ในกระดับที่สองของมหาชน5ประเภทนะคะตอนนี้มหาชนประเภทที่หนึ่งที่สามที่4ี่ที่ห้าค่ะยงอยากทราบค่ะช่วยพระอาจารย์เมตตาด้วยนะคะดูในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นี้ขุมทรัพย์นะคะ ท, ทั้นพวงที่ต้องการมีบริวารเยอะๆแวดล้อมไปแล้วก็หาเอกราก์ปัใจจัยให้มากนะไปกับบริวารนะพวกที่คอยทําลายเพื่อนผู้ประพฤติประมาจรรันด้วยกันนะอันมีศีลเป็นที่รักนะประพฤติปฏิบัติดีแต่ก็คอยทําลายเขาเนะพื่อที่เอกลักษณ์ปัจจัยจะได้ตกมาสู่ตนเองนะ พวกที่มหาจนที่ใช้การปล่อยทรัพย์นะก็คือพยายาม <c oughs> หว่านทรัพย์สินเงินทองที่ตนเองได้มาเพื่อปิดปากนะทุกทุกคนเสียอย่างนี้อา่าแล้วก็พวกสุดท้ายเป็นมหาจนที่เลิศที่สุดใน3ามโลกก็คืออ่พวกที่อดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนะอา่าอันนี้เป็นมหาจนที่เลิศที่สุดแต่บางทีกลายเป็นว่าเรา วิ่งเข้าไปหากันเต็มนะทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ย <c oughs> กำลัง อ, อดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนอย่างนี้หมดแล้วห้าพู <c oughs> อ่ะเช่น อนนี้สาาองนะครับคิอ<ช><ช>ว่าเป็นถึงพระอาหารหันต์หรือพระอน า, าคามีเนี่ย<ช>ต้องต้องบวกเพิ่มกะอะไรไหมฮะหรือว่าแค่รู้ลมเพียงอย่างเดียวก็บวกเพิ่มกับการเห็นการเกิดดับนี่ต้องมีสิบห้า <c oughs> เห็นการเกิดดับออสองอย่างใช่เพราะขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยคือจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวเนี่ยสินบริบูรณ์อยู่แล้ว ดังนั้นเวลาผู้เจ้าตรัตมัดมีองคนะย่อเหลือ2เนี่ยจะพูดแค่สมถาาะคกวิปัสสนาคือสมาธิกับปัญญาแค่นั้นไม่ได้พูดเรื่องศีลก็ขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิศีลครบแล้วนขณะจิตนั้นใช้จิตปัจจุบันเป็นหลักโนะยมจะทําดีไม่ดีมากิจภพกิจชาติก็ตามปัจจุบันจิตโยมตั้งมั่นได้เห็นเกิดดับรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาปล่อยวางได้หรือพ้นได้นะที่เหลือยกเลย นะถอนตัวตวนออกจากขันดได้ได้ตัวตัวอน า, าปานี่คือบาถึงลมอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นกายาคือจะรวมรวมลวมด้วยรวมกายาบทด้วยใช่ถูกต้องรวมการทำงานในปัจจุบันด้วยแต่ถ้าตัวนี้ก็คือแค่รู้ลมกระเห็นแก่ดับแ่แค่นี้ก็พอ เดิจงกรมเป็นกายคตาสติไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเดินแต่เกี่ยวกับการรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทการเหยียดแขนแล้วเรารู้ตามเนี่ยก็เป็นกายคตาสติพระเจ้าบอกการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาดจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจารปัสวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งนี่เป็นกายคตตาสติทั้งหมดนะ ก็คือการก้าวไปถอยกลับนั่นเองทุกครั้งที่เราก้าวเดินจิตอยู่กับกายไหมถ้าจิตอยู่กับกายก็เป็นกายยะคตาสติให้วิญญาณขันมาตั้งอยู่กับกายคือความรู้สึกของเราณนะปัจจุบันเนี้ยให้ตั้งอยู่กับกายเขาไว้อ จิตของคนเราที่ไปเห็น4 ส, สถานที่นี้จะเกิดปิติเกิดความสุขอารมณ์เหล่านี้จะเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในถูปร า, ารหะบุคคลบุคคลผู้สมควรทําสถูตที่พระเจ้าบัญญัตไว้4อย่างบุคคลผู้สมควรทําสถูตให้เวลาตาย1อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระปัจเจกพุทธเจ้าสาตถาคตาสาวกโกสาวกของตถาคต 4. พระมหาจักรพัท และบุคคลผู้สมควรทำเจดีให้เมื่อตาย1อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระปัจเจภพุทธเจ้าสามพระละหาันสี่พระมหาจากักรพรรดพระองค์อาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรจึงบัญญัติต ร, ตรงนี้ขึ้นมาพระองค์บอกว่าบุคคลเมื่อเข้าไปถึงสถูวของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตจกเริ่มใสจะเกิดปิติอันนี้เป็นเหตุให้เขาเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ได้เป็นอารมณ์หนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่า100เเซ็นต มันเป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งถ้าเราระลึกได้ก่อนตายเราจะเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์นะอ้อแล้วแต่สะดวกใครสะดวกก็ไปใครไม่สะดวกก็ภาวนานรู้ลมหายใจอยู่บ้านก็เป็นพระอริยบุคคลได้แล้วนะนะนี่แค่เข้าสู่สุขติโลกสวรรค์นะไม่ได้เป็นอริยบุคคลและไม่ได้ประกันร้อยเปอร์เ ไม่เป็นกุสโลบายมันเป็นอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้ที่คนนั้นเนี่ยเมื่ออาศัยแล้วเกิดปิติเกิดความสุขนั่นนะ่ะเป็นเหตุให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้นะดังนั้นเวลาพรองบอกว่าเราเลือกถึงสิ่งที่เราเริ่มสายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปิติเกิดสุขเกิดนี่เป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ค่ะอาจารย์ค่า การการท่องปฏจิตจัสมุตบาทสิบสองสิบามาการนนะคะถ้าเราท่องเรื่อยๆแล้วก็ใข้ควรตามไปเรื่อยๆจะเกิดผลยังไงบ้างคะเพราะองค์บอกว่าถ้าเราทรงจำคำสถาคตได้เนี่ยคนคนนั้นเอาไปใข้ควรพิจารณาจะเกิดอะไรทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เราจะเห็นว่ามันจะตรงจริงตามนั้น ฉันธาความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีชันทะแล้วย่อมมีอุตสาหาย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไม่ได้ทมเขาเนี่ยจะเดินหน้าเพื่อประพฤติปฏิบัติต่อไปแล้วในที่สุดจะบรรลุธรรมแล้วการเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวจะสามารถทำให้บรรลุธรรมได้ไหมคะอาการของการทำความเพียรในจิตจะอยู่ในท่าใดก็ได้บรรลุธรรมได้หมด ไม่จำกัดว่าจะต้องทาท่านนั้นท่านี้นนไม่เกี่ยวกัาร่างกายเป็นความเพียรทางจิตที่ความเพียรทางจิตนี้ไปอยู่ในอิริยบทใจของกายก็ชื่อว่าเป็นการทําความเพียรในอิริยบทนั้ น, นกระจ่างแล้วคะ่ะแตงเจ้าไม่ได้ัญญยัติโซะแก๊สยงยางอาบันยัดเรื่องอะไรเรื่องการเรนกไม่มีวิธี <c oughs> บัญญัติเรื่องการเดินจงกรมแต่ไม่มีรายละเอียดของว่าเดินยังไงใช่ใช่เช่นตรัสบอกอันนี้สมของการเดินจงกรม 1. เป็นผู้จะเป็นผู้อดทนต่อการทําความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลอาหารจะย่อยง่ายนะอาภาษณน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่ำตั้งอยู่ได้นานนะนี่สมของเดินจงกรม วิธีเดินที่ถูกต้องก็คือเดินปกติเหมือนเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ย mm hmm. เพียงแต่เดินเอาจิตอยู่กับกายอย่าเอาจิตไปนึกคิดปรุงแต่งอะไรน ะ, นะรู้แต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เดินนะส่วนใหญ่เวลาเดินเนี่ยเราจะเดินกลับไปขึ้นรถเพื่อกลับไปบ้านใจมันไปถึงบ้านแล้วใจมันไม่อยู่ที่ขาแต่ละก้าวใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่เป็นการเดินที่ขาดสตินะ ขอโอกาสพระอาจารย์ทั้งนี้ค่ะยังยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะยมสงสัยเรื่องของการสมาธิที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะคะเพระาวะว่าจะกล่าวว่าเ อ, อเกิดจากการที่รู้นามธรรมทั้งสามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้ในบทพยัญชนะก็จะเขียนว่า รู้เวทนารู้สัญญาอันที่สามเป็นวิตกอะค่ะเนยก็เลยสงสัยว่าวิตวิตกกับสังขารนี่แตกต่างกันไหมคะก็ะเป็นส่วนหนึ่งในนะั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังขารใช่ๆและทีนี้การทำสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะเป็นการเดินเดินก้าไปรู้ถอยกลับรู้ยืดแขนรู้ ผู้แขนรู้อันนี้ใช่ไหมคะได้หมดเลยค่ะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าทําไมรู้ว่านามธรรมาเกิดขึ้นต้งอยู่ดับไปแต่ไม่เห็นต้องไม่มีกล่าวว่าต้องรู้กายรู้กายอย่าเงี่ยคะ่ะมันเป็นความเพียรทางจิตไงค่ะคแล้วความเ<ค>พียรทางจิตจะไปอยู่ท่าใดของกายก็ได้อ่าฮนี่เป็นเรื่องของสมาธิคือความตั้งใจมั่นค่ะแล้วจะไปปูพันกับกายทําไมไม่ต้องกายดูนามธรรมสามอย่างใช่ใช่นอนดูได้ไหมล่ะได้ นอนเราก็เห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นได้ไหมได้นั่งก็ได้อย่างี้งดังนั้นความตั้งใจมั่นของใครเนี่ยที่ทำแล้วเพื่อดูสามตัวเนี่ยเกิดดับเนี่ยอันนี้เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอาจารย์คะพอดีมียงสวัยเขาฝากถามนะคะเขาบอกว่าเวลานั่งสมาธิเคลิ้มหลับประมาณห้านาทีเหมือนฝันแล้วก็เห็นญาติที่ตาย ขอโทษค่ะอยูอันเวลานั่งสมาธิเคลิ้มหลับประมาณอยู่ห้นาทีเหมือนฝันเห็นญาติที่ตายไปแล้วใช่วิญญาณเราออกจากร่างหรือเปล่าจริงวิญญาณออกจากร่างเขาทุกขณะที่เขาคิดนั่นแหละเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยไปคิดเรื่องอะไรวิญญาณออกไปแล้วเกิดดับตลอด ย, ยังลองดูที่พระองค์ตัดนะถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดั่งรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝันลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะยมคิดเรื่องไรนึกเรื่องไรนั้นนะ่ะเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วในอารมณ์นั้นการก้าวลงหรือการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปก็มีนะพบกําลังเกิดขึ้นและตามมาด้วยชาติฉลาหมรณะนะเนี่ยพบชาติเนี่ยอยู่นักขณะนี้เลยเนี่ยนะยมคิดปุ๊บหลุดไปคิดวิญญาณไปแล้วดังนั้นพระองค์จึงให้ เอาวิญ ญ, ญาณขันหรือจิตเราเนี่ยกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาให้มากที่สุดขณะที่จิตโยมเนี่ยหลุดเอาจะ ก, กายไปขณะนั้นคือตายแล้วนะอืพระองค์เปรียบเหมือนเพชฌฆาตเนี่ยเอาดาบฟันคอเธอข า, นนน า, ขนาดนะณขณะนั้นเนี่ยตายแล้วเซี่ยววินาทีหนึ่งนิดหนึ่งแล้วมันก็กลับมาใหม่เกิดดับเกิดดับตลอดนะวิญญาณจะวนอยู่ในลูกวนอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารสี่ขันนี้ ตรงจึงบอกสีขันนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะจึงให้สังเกตเนี่ยสี่ขันนี้คือตัวกรรมด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยคือก้อนกรรมเลยละ่ะแล้วจะไปออกจากระบบของมันเนี่ยจึงออกไม่ได้วิธีออกที่ถูกต้องคือถอนอุปทานความยึดมั่นจากสี่ท่านนี้ออกมาให้ได้นะกรรมจะหมดไปนี่คือวิธีออกจากกรรมที่ถูกต้อง ใช่ในทุกาน้าก่าเร่อ่าาที่แล้วหลายชาติที่ได้เ็กัตั้งเป็นมหากัที่ทาอมีาะนะเช่นี้ผมอยากทราบว่าาะนี่คล้ายๆกับัในอคการที่เกี่ยวกับเรื่องาสาเจ้าครับก็คล้ายๆกันคืออย่างนี้ พระสูตรนี้พระองค์เนี่ยถอยพระองค์ไปเก้บกัปพระองไม่เคยตกต่ําเลยพร่องค์ก็เลยคิดว่าด้วยกรรมอะไรหนอที่ทําให้เราเนี่ยเกิดในภพชาติใดๆไม่เคยตกต่ําเป็นเทวดาก็เป็นจอมเห็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพร่อก็เป็นมหาพร่องดีตลอดเลย91กัปที่ถอยไปนี่พระองค์ก็เลยพิจารณาดูแล้วเห็นว่าพระองค์มีการกระทำสามอย่างคือหนึ่ง มีทานคือการให้สองมีธรรมะความขมใจสามมีสัญญาณความสำรวมระวังโยมทำสามอย่างนี้ก็ได้ชีวิตโยมจะไม่มีการตกต่ำในแต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดขึ้นอีนี้โยมก็ถามว่าธรรมะกับสัญญาณเป็นยังไงธรรมะคือความขมใจนะความขมใจเช่นตัวสันเลเขาธรรมก็ไดนะ้เห็นเขาพยาามเราจะไม่พยาาทเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขา ทำปาณาติบาตเราจะไม่ทำเห็นข้าวักขโมยเราจะไม่ทำเห็นข้าวลิยาจะหนีโออวดมีมายาดูหมิ่นท่านยกตนกล่มท่านตีตนเสมอท่าน น, นี่เป็นสังเลกธรรมเห็นแล้วมันไม่ดีเราจะไม่ทำเราไม่ไปว่าเขาหรอกแต่เราจะเอามาขัดเกลาตัวเองว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นนี่ก็เป็นความข่มใจละหรือที่โยมบอกว่าเหมือนกับสัมมาสังปปไหมอันนี้ก็ได้อยู่ เมื่ออกุศลเกิดขึ้นในจิตปุ๊บเราจะข่มใจเราจะไม่ทำํำการปฏิบัติเบียดเบียนเกิดขึ้นปับ๊บเราจะละเราจะทิ้ง3าความคิดนี้ไปซะไม่กระทำตามมันส่วนสัญญามาคือความสำรวมระวังก็คือการเอาจิตเนี่ยอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้าออกเขไว้สำรวมอินทรีย์ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทถ้าโยมสามารถนําจิต อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือกายไปได้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่ากําลังทําความเปลี่ยนเปล่าพิเลนนะชื่อว่ากําลังอยู่ใกล้นิพพานพระองค์บอกว่ากายยัตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมกําลังไม่ลืมอมตะกําลังได้อมตะคือนิพพานความไม่ตายดังนั้นพยายามเอาจิตอยู่กับกายให้มากให้บ่อยเข้าไว้ จิตจะคอยออกไปสร้างภาวะคือพบอยู่ตลอดเวลาพระองค์เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากในการสร้างพบเราจึงอยากไปคิดอยู่ตลอดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรื่อยๆดังนั้นขณะที่คิดเรื่องอะไรก็ตามพระองค์จึงบอกว่าอย่าเพลินไปนะให้ละความเพลินยงคิดให้น้อยๆลงคิดน้อยๆล ง, อลงเอาจิตมาอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นเป็นการแก้อนุสัย คือเป็นการละภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพการเกิดของเราจะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจรในทั้งในที่สุดการเกิดไม่มีดังนั้นเวลาใครเอาจิตอยู่กับกายพระเจ้าจึงบอกว่าเธอกำลังบริโภคอมตะคือบริโภคนิพพานชนเหล่าใดบริโภคกายยัตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะคือนิพพาน ที่สุขโขทัยมีพระรูปหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็อาถามคำถามมาทางอินเทอร์เน็ตในข้ามวันเสาร์เรื่อยๆแล้วก็นำพุทธวจะนะไปบอกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่ท่านไปบอกสอนก็อยู่ประมาณป .4 ป .5 ป .6 อย่างนี <c oughs> นะ้ก็มีคลิปวิดีโอท่านส่งมาให้อยู่ไว้จะเอา ขึ้นเว็บให้ดูนะก็จะให้เด็กทั้งชั้นเลยเนี่ยสวดอย่างนี้สัมมาปสังนิพนธตติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ยมาจากบาลีสามนั้นนั้นนนั้นข้อนั้นละเอียดลออเลยนะอ่านะก็อย่างน้อยให้เด็กเนี่ยได้จำได้ก่อนเหมือนท่องสุดคุณเลยจับท่องทุกวันทุกวัน ต้องทำศา ส, ะสะดาคือนะจิตอธิฐานการงานเข้าชาห์หนึ่งสองสมได้ไหมโดยปกติแล้วตรงนี้จะเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอยู่แล้วใช้ในการหลุดพ้นได้อยู่ เบ้นไหนเขาทำจิตให้ตั้งมั่นนั้นโดยปกติตรงนี้จะไม่ได้เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่จะเป็นลักษณะแบบทุกขาปฏิปทานั้นสุขขาปฏิปทาคือพวกที่เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ได้ั่งถ้าเกิดเรารู้เราทำสุขขาปฏิปทาคือรู้ลมใช่ไหมฮะแล้วในในช่วงที่เราเจ็บไข้หรือว่าใกล้จะตายเนี่ยเราต้อง ต้องไปทำตัว5้าอย่างนะคะที่ว่าไม่ต้องรู้ลมไปจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตและคื อ, อมีมสติและสัมผัสธรรม ญ, ญาใช่รอคอยการตายไ ม, ไม่ไม่ต้องทำไปถึงขนาดสมาธิถ้า แ, แค่2ตัวครับทำ<อ>แค่นี้สมาธิปัญญาอยู่ครบหมดแล้ว ผู้ใหม่ถามได้เลยนะเ ช, ช, ช, ช, ชิญเชิญพาคุณแม่มาอ๋อเหรออยาต้องการธรรมะอะไรนะขอซ้ำนิดหนึน่งอยากจะให้อาจารยนะ์แนะนำธรรมะที่เวลาแม่อยู่บ้านเนี่ยจะไม่ได้ทำอะไรจะเครียด อ๋อไม่ไม่มีอะไรก็จริงๆผู้ที่ผ่านวัยมานานเนี่ยเหมือนกับมาลุงกัจบุตรเนี่ยเขาถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระองค์เนี่ยผ่านลาตรีมานานมีธรรมะสั้นๆไหมที่เมื่อข้าพระองค์เนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พรนะพุทธเจ้าก็บอกมีอยู่บอกมาลุงกัจบุตรเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว์ว่าเห็นได้ยินเสียงแล้วสัตว์แต่ว่าได้ยิน ได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ธรรมลมด้วยใจก็สักแต่ว่ารู้ทําเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกข์ศาตร์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์นั้นคนที่อายุมากแล้วนี่ไม่ต้องไปทําอะไรมากรับรู้อะไรก็สักแต่ว่าไปปล่อยวางลูกหลานทําให้ดีก็ช่างหัวมันช่างหัวมันไปเรื่อยๆใครพูดอะไรด่าว่าอะไรก็ช่างมันช่างมันเฉยๆ ทุกคนต้องรักษาจิตตัวเองไงโยถ้าเราไม่รักษาจิตเราลูกหลานก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้คนที่ไปอบายคือเราเองและคนที่อยากไปอบายก็คือเราไม่มีใครมาอยากให้เราไปเพราะเราเป็นคนที่เอาจิตไปผูกกับอารมณ์นั่นเองซึ่งอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของทุกขตินะดังนั้นเวลาเราโกรธใครเนี่ยคนไปอบายคือเราเนะ่ไม่คุ้มเลยนั่นวันฝาให้เราไปอบาย <S <S <laughs> ใช่ป่ะอ่า <laughs> เพราะนั้น ทุกคนจึงต้องรักษาจิตของตนเองเอาไว้นะไม่มีใครช่วยเราได้พระองค์เรียกตรงนี้ว่าอมาตาปุปติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้แม่ตายแทนลูกไม่ได้รักลูกก็ตายแทนลูกไม่ได้เจ็บแทนลูกไม่ได้ลูกก็แก่แทนแม่ตายแทนแม่ไม่ได้ทุกคนต้องประสบสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองนะพระองค์จึงให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะ บอกอนน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่เราขึ้งตนขึ้นธรรมอยู่บ้านว่างๆเนี่ยสบายๆเคยมอีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นลูกเฒ่าอยู่บ้านเนี่ยลูกหลานก็เลี้ยงแลวก็อยู่กินนอนสบา ย, บายๆเขาก็ ทานอาหารเสร็จตอนเช้าก็ขึ้นไปข้างบนเดินจงกลมทุกวันจกนกระทั่ทงเดินจงกลมสิ้นอายุไขขณะเดินจงกลมเลยตายคาทางจงกลมนะก็ถือว่าเป็น <c oughs> คนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรได้ดีมากนะ <c oughs> เป็นความเพียรทางจิตนะโยม น, นะ เรานั่งเล่นบนโซฟาอยู่บ้านก็ได้แต่รู้ลมเข้าลมออกสบายๆอย่างนี้นกร า, า, ารนมัสการธนกาลมีอขออากาศถวายพระสูตรซึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งวันมาฆบูาชากับวันครบรอบ 2,600 ปีแห่งศาสนาพุทธขอถวายพระสูตรที่ชื่อว่า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 ขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพิสุทั้งหลายพิสุในกรณีนี้สุดทันตะเหล่าใดอันน ก, กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกากรมีอักษรสละสรวยมีพญัญช น, นะอนวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกอันบุคคลนำมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตว่าจะรู้ทุ่ถและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพิสูจน์ทั้งหลายส่วนสุดทันตะเล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญนตาเมื่อมีผู้นำสุทันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยวหูฟังย่อมตั้งจิตว่าจะรู้ทั่วถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษา เ, าเรียนพวกเธอพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามซึ่งกันและกันว่าข้อนี้เป็นอย่างไร มีความหมายกิจในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถู ก, กไปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บัดเถาลงได้พิสุทั้งหลายบริษัทชื่ออุกาจิตวินิตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินิตาเป็นอย่างไรเล่า พิสุจทั้งหลายในกรณีนี้พิทุทั้งหลายเหล่าใดสุดทันตะซึ่งเป็นคำของต า, าคตมีความหมายซึ่งเป็นอัตตอันลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าด้วยเรื่องสุญญาตาอันบุคคลนำมากล่าวอยู่เธอก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตว่าจะรู้ทั่วถึง และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดทันตะเหล่าใดอันเป็นอันนักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกากรมีอักษรสละสลวยมีพยัญนชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดทันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตว่าจะรู้ถ้าถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอพากันเล่าเรียนสุทันตะอันกวีแต่งขึ้นใหม่นั้นแล้วก็ไม่สอบถามทวนถามซึ่งกันและกันให้เปิดเผยแจ้งแจ้งออกมาว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีอัฏะเป็นอย่างไรดังนี้พวกเธอเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของที่คว่มอยู่ให้หงายได้ไม่บันเทาความสงสัยทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้พิสูุน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอุกาจิตวินิตาปลิสาโนปาติ ป, ปุชาวินิตาพิสูจทั้งหลายบริษัทชื่อปาติ ป, ปุชาวิริตาปลิสาโน โอกาจิตวีดีตาเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้พิสูจน์ทั้งหลายในบริษัทใดสุดตันตะอังกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรมีอักษรสลับสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกอันบุคคลนํามากล่าวอยู่เธอย่อมไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี้ยวหูฟังไม่ตั้งจิตว่าจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษา เ, าเรียนส่วนสุดทันตะเหล่าใดอันเป็นตถาคตพาสิทธ์อันลึกซึง้งมีความอัฏถะอันลึกซึง้งเป็นชั้นโลกุตตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดทันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟัง ตั้งจิตว่าจะรู้ทั่วถึงและสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอพากันเล่าเรียนสุดตะตะอันเป็นตถาคตภาษิสนั้นแล้วก็ไต่ถามทวนถามซึ่งกันและกันจนเปิดเผยแจนมแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอัะเป็นอย่างไรดังนี้พวกเธอเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยได้ งายของที่ความอยู่ให้งายได้บั้นทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้พิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิุจฉาวินิตาปรลิตาโนอุ ก, กาจิตวินิตาพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แหละบริษัทสองจําพวกนั้น พิสูจน์ทั้งหลายบริษัทที่เลิศในบริษัททั้งสองจำพวกนั้นคือบริษัทปฏิปุตราวินิตาปารลิสาโนอุกาจิตวินิตาภายในวงเล็บบริษัทที่อาศัยการตวนถามสอบถามซึ่งกันและกันเป็นเครื่องนำไปไม่อาศัยความเชื่อจากบุคคลนอกเป็นเครื่องนำไปดังนี้แหลจบพิสูจน์กราบนมัสการท่านอาจารย์ ก็ผมก็ได้นำข้อคำสั่งของพุทธเจ้าไปปฏิบัติแลวจะขอปฏิบัติตลอดไปจนตลอดชีวิตล้วัฒนาเนาะผููเจ้ามีบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ในพสศนี้จะรัฐาคตจะเปรียบเทียบบริษัทสองพวกคือพวกหนึ่งจะเป็นพวก ที่ศึกษาคําสาวกหรือคําที่แต่งใหม่แต่ไม่ศึกษาคําตถาคตพระองค์จะเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกอุกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจชาวิีตาโนนะอ่ะคือไม่ไม่สนใจไม่ศึกษาคําของตถาคตแต่ไปศึกษาคําที่แต่งใหม่หรือคําของสาวกจริงในบาลีสามรัฐจะใช้สํานวนที่หนักกว่านี้คือเป็นบริษัทที่ดื้อด้านนะนเขคือบอกไม่ฟังนะแต่สํานวนของท่านรุทธาจะ ใช้ว่าเป็นบริษัทที่ไม่เลิศน ะ, ะเธอจะไม่เลิศแต่บริษัทที่ศึกษาแต่คำของตถาคตไม่ศึกษาคำของสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่นะจะเป็นบริษัทที่ไม่ดื้อด้านในสำมมวนของบาลีสยามรัฐหรือเป็นบริษัทที่เลิศในสำมมวนที่ท่ทานผู้ท่านได้แปลไว้นะก็คือโนอุ ก, กาจิมินิตาโนนะอ่ะหมายถึงไหม ไม่สนใจคําที่แต่งใหม่หรือคําของสาวกที่บัญญัติขึ้นเองที่เรียกว่าสาวกภาษิต <c oughs> สาวกภาษิตานะแต่ให้สนใจแต่ตถาคตภาสิตานะจริงจริงความเป็นศาสด า, า, าก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้บัญญัตินะสาวกแปลว่าผู้ฟังคําบัญญัตนะิไม่ใช่ผู้บัญญัติคําสอนนะนั้นสาวกที่ไม่เข้าใจหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังในพระสูตรนี้จึง บัญญัติอะไรออกมาเรื่อยๆทำให้ศา ส, สนานั้ น, นค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆความเสื่อมของศาสนาข้อที่หนึ่งคือบทเป็นชนะผิดความหมายผิดอธิบายกันมาผิดดังนั้นเครื่องวัดอริบุคคลที่ปัจจุบันใช้กันอยู่เนี่ยที่ไม่ใช่ตถาคตพาสิทธ์จะมีเยอะมากเลยเช่นเรื่องของโสรดยานยาน16นี่พู้เจ้าก็ไม่เคยตรัส ตั้งชีวิตนะเรื่องของสมาธินะคณิการสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยบัญญัติพุทธเจ้าบัญญัติสมาธิเก้าระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอาการสารัญจานยตนะวิญญาณัญจานยตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะสัญญาเวทิตนิโรธกลายเป็ว่าชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักสมาธิเก้าระดับที่ศาสดาบัญญัติแต่ไปรู้จัก สมาธิสาระดับที่สาวกบัญญัติขึ้นมานะช่วงประมาณพันกว่าปีที่แล้ว <c oughs> นะจะมีเยอะมากมายพิธีกรรมต่างๆที่ศาสดาไม่เคยบัญญัติเราก็ไปบัญญัติกันขึ้นแล้วก็สืบทอดกันนะหลายๆอยา่านงะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้กลับมาศึกษาพุทธวัชนะเราจะได้รู้สักจะความจริงนะได้ตอบแทนบุญคุณนะแสดงถึงความกระตำอยู่ต่อพระ ถ, ถากฎ <c oughs> อ๋อว่าอย่างไงนะอ่าขวบไม่ใกล้ๆหน่อนนะไม่ก็ได้ยินเปิดเรยยี่ยมนะไฟมีไฟลึก ป, ปะ่ะไฟเขียวเดือขึ้นไ<ถ>หมะ น้องเขาตั้งคําถามว่าถ้าเกิดว่าเจ็ดสุดท้ายเขาได้โสดาบันแบบเจ็ครั้ ง, <อ>งแล้วเขาไปเกิดในครั้งที่สี่แล้วเขามีความเพียรมากขึ้นเนี่ยจะ<อ>ค่ะเขาสามารถจะเปลี่ยนเป็นแบบเอกพีชีหรือกโกลังโกละได้ไหมหรือว่าต้องเป็นแบบใดก็แบบนี้นจะค่ะเออจริงๆแล้วก็คุณจะได้นะอตรงนี้ก็ไม่ไม่เจอที่พระเจ้าตรัสไว้ ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างบางทีถ้ า, าถ้าผู้เจ้าเนี่ยบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าท่านรู้กำลังแล้วว่าคนคนนี้กำลังแค่นีนะ้คงจะพัฒนาตัวเองยากแต่อีกอันหนึ่งถ้าคนคนนั้นเนี่ยเช่นน้อมเอาทุปดงโควัตเข้าไปจับนะทำธรรมะที่เป็นการขูดข้าวกเลสอย่างยิ่งนะ <c oughs> ก็อาจจะสามารถพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นเร็วกว่านั้นได้นะ ที่ประสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสถือว่ากําลังของทนั้นก็ได้แปดเจ็ดครั้งแต่ว่าถ้า<ช>เหยุปัจจัยที่ในพบในชาตินั้นเขาสามารถเพียนทุเรงเขาวัดเร่เงความเพียนก็สามารถใ ช, ใช่ใช่ใชอันนี้เราเราประเมินเอาเฉยๆนะยังไม่เจอในพระสูตรว่าพระองค์ตรัสไวช้ชี้ชัดว่ายังไง โอกาสครับอาจารย์เสียงพระอาจารย์รยังล่าเริงในธรรมอยู่ค่ะโยมงสงสัยว่าสังขารพระอาจารย์อาการป่วยอะไรนี้พระอาจารย์จะอีกนานไหมคะเอาคําถามให้เจบก่อนเลยค่ะขอคำถามให้จบก่อนพระอาจารย์คะงั้นโยมขอโอกาสค่ะเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องรักด้วยจักเกียดเกียดจากรักนะคะแต่ถ้าหากว่า เราเรารักคนนี้อ า, าแต่มีอีกคนมารักด้วยแล้วเราเกลียดคนนั้นนะคะคนอยู่ในข้อไหน <c oughs> ด้วยอาการที่น่าพอใจก็ต้องมีตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> เขามากระทาต่อบุคคลนั้นนะในอาการที่น่าพอใจ <c oughs> ใช่แต่เราหึงหวงไงคะ <c oughs> ใช่สิสแสดงว่ามันเป็นอาการที่ไม่น่าพอใจของเราใช่ไหม <c oughs> วันนี้คมพูจ้าต้องเก็บให้หมดโดย อันนี้เป็น <c oughs> ตัวอย่างของคนที่ว่าเหมือนกับแบบว่าเราชอบคนนี้แต่มีใครมาพูดดีทําดีกับคนเนี้ยอย่างเรารักพ่อแม่เราแล้วมีใครมาด่าพ่อแม่เราเราชอบไหมไม่ชอบอันนี้เกลียดจากรักใช่ไหมอ่าเกิดเพราะรักใช่ไหมเกิดจากรักแต่ถ้ามีใครมา เอาอาหารเอาขนมมาพูดดีทําดีกับพ่อแม่เราเราชอบไหมชอบครับเออเออคนนี้ดีใช่ใช่ได้ดีเลยว่ารักอันเกิดจากรักใช่ไหมอ่าส่วนถ้าเราเกลียดเพื่อนเราคนหนึ่งใช่ไหมอ่าใครมาพูดไม่ดีทําไม่ดีกับเพื่อนเราคนนั้นเนี่ยเกลียด่านั้นเลียเกลียดจากเกลียดจากเกลียดเพราะเกลียดเพราะว่าเราเกลียดเพื่อนเราเราลักสิ อ๋อใช่ใชชค่ะเรารักคนนั้นเพราะทำไม่ดีคนนี้แต่มีคนมาทําไม่ดีไห้คนเนี้เอามันหนักคน่อยรักใครรักครอยากจะเินมานานเราจะรักไอ้คนนี้ทันทีเลยใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเกลียดคนนี้แต่มีอีกคนคนที่สามมาทําดีผู้ดีกว่คนนี้เราจะเกลียดคนที่สาม ทดีกััับทมมมนนนเป็คไ่ดีนี้กรณีที่โยมถามเนี่ยคือเหมือนชายรักหญิงรักอยู่และอีกคนรักด้วยถึงบอกให้กลับไปอ่านบทพันธนาให้หมดเป็นการบ้านพี่ผู้หญ้าบอกว่ากระทําด้วยอาการที่น่าพอใจด้วยพยายามถามโยมขอโอกาสอีกค้อ้งวันีอะโยมไม่ได้ใจ วบทพยัญชนะนะคะแต่ว่ามันผ่านตามาแล้วก็ลิ้ไม่ขึ้นมาเลยทั้มกลับเป็นถามว่าอาจารย์ตรงนี้มีบทหนึ่งที่เออ่พระพุทธเจ้าที่บาอานนท์ตักน้ําให้พระพุทธเจ้าค่ะเราน้ำขุนนะคะเราพระพุทธเจ้าก็เลยนึกถึงอุปรกรรมตนเองที่เคยไปห้ามไม่แน่ใจว่าบัวแต่แม่บัวเปล่านะคะว่าเอมาจะมาดื่มน้ําที่ขุนเนี่ยได้เจตนาดีแต่ทําไมทําให้ เมื่อตั้งเจตนาดีที่เป็นห่วงวัวว่าจะไปดื่มน้ําขุนๆจริงมาเป็นบุพกรรมที่พระอานนท์ตักน้ําให้ทิ่ขุ น, น, นให้เหรอคะแต่น้ำนั้นก็กลับมาใส่เนี่ยเหรอคะออนั้นนั้นพอมาถึงผู้เจ้าก็กลับมาใส่แสดงว่าทําแล้วเจตนามีความละเอียดใช่ใช่งั้นถ้าเกิดมาน้อมนําถึงปัจจุบันของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปไปห้ามใครด้วยเจตนาดี แต่ว่าเขามีความอยากจะกิน น, นะฮะเจตนาเราดีแล้วเขาก็ไม่กินแล้วเขาก็ปลอดภัยแต่เจตนาดีอันเนี้ยผลวิบากมันจะต้องดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราห้ามเนี่ยแต่เกิดจิตมันไปเกิดพลิกนิดหนึงว่าอู้ไม่น่าไปห้ามในสงสารเขาอะวิบากอันนั้นจะพลิกกลับไหมคะอ๋อไม่อ่ะผลเจตนาเป็นตัวกรรมน่ไงแล้วก็ไปเกิดสงสารด้วยไงบุคคลเมื่อเจตนา เป็นไปอย่างไรแล้วเนี่ยการกระทําทางกายวาจาก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นเราก็ดูว่าการกระทําทางกายตรงนั้นเนี่ยเกิดเกิดขึ้นไหมกับเจตนาทางใจแบบไหนแต่ถ้าใจมันพลิกไป อ, กอันหนึ่งก็อยู่ที่เราละไปอละนั้นที่ไปแค่นั้นเองเพราะนั้นอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นในจิตเราอยู่ตลอดเวลาหน้าที่เราคือโยนทิ้งไปอย่าไปสนใจอย่าให้ออกมาเป็นการกระทําทางกายกับวาจา อาจารย์ผมเคยผมเคยไปทำการเสนอว่าจะยกงานังหอาจารย์ทานะครับแล้วก็มาฟังท่านอาจารย์บ่อยๆข้างเข้าเอาคนึงเรื่องวจนะที่จำม่ได้เกาเรื่องการรคการจาคนสิ่งที่ดีเจ้า้อไปพูดทราทยังไงอย่างนี้จะเราบรจากไปได้ไปแล้ว้มาฟังอย่างีแล้วเราจะทกับที่ท่านเจ้าพูดให้ขนาไหน๋ แล้วแต่แต่แต่ต่มาไม่ไม่เคยเจอไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เคยพบแยังองเราตั้งใจว่าจักไปแล้วทาไปแล้วอรจะเปลี่ยนใจหรือเี่นมันจะมีปัญหาหนังสือินัยกรรเปลี่ยนได้ไม่ใช่เหรอเจ้าตัวเปลี่ยนได้ไม่ใช่เหรอแล้วอันนี้แล้วแต่ยอมพินาเองนะเรานไม่มีไม่มี เดี๋ยวจะไปขัดลากเขาเองจะได้ลากอะไรอะไรยังสมดุลอีกครับอาจารย์คะเจ้าค่ะมีข้อสงสัยว่าการปฏิบัติสี่5น้าเนี่ยนะคะแต่ละสีเนี่ยจะมีโทษหนักเบาเท่ากันไหมอย่างโยมคิดนะว่ากรณีที่แบบพูดมุสาเนี่นะคะกับกาเมเนี่ยมาพึ่งิีในกาง ตัวตัวของโยมเองมองว่าประพฤติผิดกาเนี้มีโทษหนักกว่าหรือไม่ก็ฆ่าสัตว์กับการดื่มสุรามีอยตรงนี้มันมีมันมีมันหยาดไหมครับเจ้าค่ะว่าสินห้านี่ยมันจะมีระดับความกานเรียกว่าบากเนี่ยมีมีมีแตกต่างกันคนกระทำผิดสินห้าถ้าทำเป็นปกตินะ วิบากอย่างหนักเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทุกข้อคือเป็นไปเพื่อ น, กนรกกาเนิดเรือนจารอเปลพิสัยส่วนการทําผิดศิน5้าที่เป็นวิบากอย่างเบาในข้อที่1วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นไปเพื่ออายุสัน้นอธินาทานเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคานะจะจนลงเรื่อยๆนะ ส่วนกาเมสุวิชาจาร์เป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูศัตรูจะเยอะนะมุสาวาสเนี่ยเป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงนะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกคนก็แกล้งว่านะเข้าใจผิดเราบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะถูกกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงส่วนสุลาเนี่ยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อวิปรัชนะสัญญาวิปราช นี่เป็นอย่างเบาแล้วเนาะก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สินห้าบริสุทธิ์การสิไหสกินห้าบริสุทธิ์การันตีเพื่ออะไราการไม่ไ ม, ไม่ลงไม่ลงก น, นไม่ไม่ยไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ใครบอกว่าคนทุกคนที่รักษาสินห้าแล้วจะไม่ไปส่ว บ, บายตถาคตไม่ได้รับรู้ด้วยนะเป็นพเป็นเพราะ เขาไม่ได้สั่งสมสุตตะไม่เคยฟังธรรมไม่เคยทําสมาธิหลุดไปอภัยได้เป็นแต่เพียงว่า 99.99 99เนี่ยมันจะพ้นอบายแต่แอนปรลิปาชกมันันไปเห็นคนรักษาสิบหน้าแล้วไปอบายแล้วมาถามผู้เจ้าผู้เจ้าไม่ตอบผู้เจ้าเฉยๆจนเขาเดินหลีกไปแล้วก็พระนนทก็มาถามว่าพอรับฟังได้ไหมที่ปริปาชคมือเจ้าบอกรับฟังได้ก็เลยบัญญัติบุคคล บอกกันนนท์จไว้บุคคลมีสิบจาพวกในโลกบางคนเนี่ยรักษาสินดีแต่ไม่เคยฟังธรรมสังสมสุตตะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไม่เคยทําสมาธิพวกนี้ไปอบายได้หลุดได้เหมือนกันแต่คนที่ทุศิน <c oughs> มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีแต่เคยฟังธรรมเคยสังสมสุตตะเคยทําสมาธิพวกนี้ไปสุปติได้นะแล้วพระองค์ก็ตัดกลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้เยอะจนครบ10จําพวกนะโดยหลักก็คืออย่างนี้ว่า น้ำหนักของการฟังธรรมการทำสมาธิมันมีมากกว่าศินหลายพันเท่านะเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าถ้าเราสินยังไม่ดีเนี่ยขอให้ทำสมาธิไว้กว่อนนะให้ทำสมาธิมากให้รู้หลักการทำสมาธิให้สั่งสมสุตตะในคำตากดนะเพราะโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมันแค่ขนาดจิตเดียวถ้าขนาดจิตนั้นก่อนตายเนี่ยเราระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระองค์ได้เราจะละสั่งโยชนธาเบื้องต่ําได้ ผู้เจ้าบอกว่าคนก่อนตายเนี่ยถ้าได้สามอย่างหนึ่งและลึกถึงบทแห่งธรรมของพระองค์ได้ก่อนตายนะสองได้ยินได้ฟังคําตถาคตที่สาวกนำมาถ่ายทอดนะหรือสได้ฟังจากพระาศาสดาโดยตรงคนเนี้ยถ้าละสังโยชน์ห้าไม่ได้จะละได้ก่อนตายถ้าเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วเขาจะได้เป็นพระหลานตัวอย่างมีในของปลาผัดคุณนะนะ พระภูรุณาเนี่ยทุรนทุลายมากก่อนสิ้นชีวิตผู้เจ้าก็บอกอภัูรุณาตั้งใจฟังธรรมนะจากนั้นพระเจ้าก็หลีกไปพรานรนบอกว่าหลังพระเจ้าหลีกไปไม่นานพระภูรุณ า, าก็ทํากาะละลงแต่เชวีวันผ่องใส ย, ยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนทํากาละเนี่ยเขายังละสังโยชน่าไม่ได้แต่หลังจากฟังธรรมแล้วเขาละสังโยชน่าได้แล้ว จึงตัดอ น, นิสงฆ์หกประการของผู้ที่ได้ฟังคําศาสดาก่อนสิ้นชีวิตะจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3าลักษณะ2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยละสังโยชน์ห้ไม่ได้จะลาได้อีกกลุ่มหนึงละสังโยชน์หได้แล้วจะได้เป็นพระหลานใน2กลุ่มนี้มี3ลักษณะที่เหมือนกัน1ได้ฟังคําสอนจากศาสนาโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นำำําคําศาสนามาถ่ายทอดโยมเอาคําตถาคตไปอ่านให้เขาฟังก็ได้เปิด คำสอนผู้เจ้าให้เขาฟังก็ได้ขอให้เป็นคำตถาคตแท้ๆนะอย่างที่สามเนี่ยเข้ารละลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะก็สามารถทำได้ท่นนี้จะระลึกได้จะทำยังไงโยมต้องเคยทรงจาได้นะเคยสัจชายะนะก็คือเสพครบธรรมพระศาสดามาโนะยมถึงจะเกิดอนุสัยความเคยชินในการที่นึกถึงคำผู้เจ้าได้นะคือนอนนี้ให้ฝันเป็นคำผู้เจ้าเลย นะเอาให้ขนาดนั้นนะเนเจะอธิบายกับผู้ที่จะเริ่มต้นนั่งสมาธิได้อย่างไรว่าการนั่งสมาธิเนี่ยได้บุญอย่างไรนั่งสมาธิได้บุญอย่างไรนะฮะคือบุญที่มากน้อยในที่นี้เนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัววัดนะยมทำทานก็ได้บุญนะแต่ทำทานแล้วเนี่ย สินยังบกพร่องเลยไหมได้ทําทานก็ก็ทำได้แต่ฆ่าสัตว์ก็ยังทําได้ขโมยก็ยังทําได้ศินยังไม่ดีจึงต้องมีการมารักษาสินทําความดีขายับขึ้นไปอีกซึ่งมีความยากกว่าการทําทานเมื่อยมรักษาสินดีถามว่าจิตยังฟุ้งอยู่มหมยังฟุ้งอยู่จิตยังไม่ตั้งมั่นเพราะยังไม่เคยฝึกสมาธิดังนั้นยังห่างไกลนิพพานและยังห่างไกลนิพพานจึงต้องมีการมาฝึกสมาธิ ที่คนมาฝึกสมาธิเนี่ยจิตตั้งมั่นเห็นการเกิดดับหลุดพ้นได้เลยดังนั้นคนคนึงเนี่ยคนหนึ่งเนี่ ย, นนยโอ้ให้ทานรักษาสินมาทั้งชีวิตเลยแต่สมาธิไม่เคยนั่งแต่คนนึงเนี่ยมานั่งสมาธิปุ๊บจิตนิ่งตั้งมั่นเห็นเกิดดับหลุดพ้นไปเลยเนี่ยอา น, นิสงส์งเขามาการกระทําใดที่ทําแล้วเนี่ยเข้ามรรคผลนิพพานได้ง่ายได้เร็วได้ไวนั่นนะ่ะคือมีอา น, นิสงส์งมากวัดกันตรงนี้นะดังนั้นประโยชน์ของการทําสมาธิก็คือเพื่อการหลุดพ้นหลุดจากความตายนั่นเอง ไม่ต้องตายต่อไปเพราะทำทานรักษาศีลก็ยังเวียนว่าตายเกิดนะศีลอยดีโยมก็ไปเกิดในสุติโลกสวรรค์นะหมดอายุขายของเทวดาแล้วไปนรกได้ไหมได้เนี่ยมันไม่ดีตรงนี้นะคำถามนะคะคือถ้าเกิดว่ามีการมาทำบุญอย่างเช่นมานะวันนี้แล้วกลับไปเนี่ยะจะบอกกับคุณพ่องแม่ว่านำบุญมาฝากจริงๆแล้วเป็นการ เป็นการอนุโมทนาบุญนี้เป็นการได้บุญเทียบเท่ากับผู้ที่ทำเองหรือไม่อนุโมทนาบุญเนี่ยนะอันนี้อมีอนุโมทนาไหมนี่ใบอนุโมทนาหายไปไหนเนาะปก ต, ติมีแจกอยู่ น, ยนี่เลยเนี่ยใบอนุโมทนาบทการเลขาตันติสปัญญาเนี่ยนะผู้อนุอนุโมทนาเนี่ยก็ได้ได้อ น, นิสง์ด้วยและพระเจ้าก็บอกว่า บุญของผู้ที่กระทําเนี่ยคือในกอกระทําบุญในขออนุโมทนาบุญในกอไม่บกพร่องไม่งั้นบางคนว่าอย่าอ ย, าอยา่เดี๋ยวบุญันพ้องนะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่พ้องพระเจ้ายืนยันว่าไม่พร่อง <c oughs> นะแล้วในขอได้บุญด้วยไหมได้ดีกว่าในขอเห็นในกอทําบุญ <c oughs> แหมมันไส้คนที่ทำบ <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้บุญ <c oughs> ใช่ไหมอ่าเพราะ น, นั้นต้องชื่นชมยินดีมีมุทิตาจิต นั้นโยมไปบอกพ่อแมอ่วันนี้ได้ไปทําบุญมามาครับบูชาพ่อแม่ชื่นชมอะพ่อแม่ได้บุญด้วยและบุญเราก็ไม่รลองเห็น ไ, ไหมเป็นอย่างนี้นะะ ไ, ดได้บุญนี้คือได้บุญเหมือนกับกระทําเองอะไรไม่เหมือนนะอ่ <laughs> ก็ได้บุญนั้นเกิดจากความชื่นชมในในบุญที่คนอื่นเขาได้กระทำครับขอเชิญทำสมาธิ ใช่มครับคิว่ายังเกินจกัดยังไม่เบื่อใช่ไม่คายกัหลุดนนะครับไม่หลุดก็เห็นแล้วแต่ยังไม่เบื่อใช่ไหมครใช่เห็นแล้วต้องต้องให้เบื่อใช่แต่ว่ายังไม่เบื่อยังไม่เบื่อคือเห็นไม่มากพอไงเหมือนอยากเลิกเล่าเนี่ยอยากมาหลายสิบรอบเลิกไม่ได้สักทีรู้รู้ลวรู้โทษมันละแต่ว่ายังไม่ไม่ต้องในปากคอต้องให้ควรโทษเห็นแล้วเห็นอีกซ้ำๆจน อ่าตัดใจจิตเห็นการเกิดตับโ ย, ย, ยมนั่งอยู่ก็เห็นตัวเองโยมนั่งอยู่อะค่ะ<ม>เห็นตัวเองว่าขณะนั่งสมาธิเนี่ยค่ะก็จะเห็นร่างกายเนี่ยก็จะจากเนื้อเราสวยๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบร่างกายเป็นโครงกระดูกที่ไม่สวยเลย พอนั่งไปพิจารณาไปในขณะนั่งอยู่ก็เรารู้ลมทุกลมหายใจเข้าออก<ม>ก็ก็กาหนดว่ารู้หนอรู้หนอนั่งต่อไปสักครู่หนึ่งโยมก็เห็นว่าจากกระดูกที่นั่งอยู่จะเปลี่ยนอริยบทขณะรู้อยู่จะเปลี่ยนอริยบทเกิดเนบชาขึ้นก็จิตก็เพ่งไปที่เกิดการเนบชาก็ดูจนกว่าว่าก็เนบชานั้นหายไปแล้วก็เปลี่ยนอริยบทเป็นท่านอนตะแขงขวา ะะขณะนอนอยู่ก็พิจารณาดูลมหายใจก็เห็นภาพอีกค่ะว่าจะร่างกายที่เป็นโครงกระดูกนั้นก็ค่อยปลิวไปเป็นละอองเล็กๆจนไม่เหลือเท่าจนไม่เหลืออะไรเลยจนเป็นเท่ากองหนึ่งละปลิวหายไปอยากกราบเรียนท่านภอาจารย์ว่าที่เห็นอย่างนี้เป็นเรียกว่าจิตปรุงแต่งหรือเกิดจากที่สมาธิเร า, านิ่งค่ะท่านก็เป็นจิตปรุงแต่งนี่แหละโยม แต่การปรุงแต่งตรงนี้เป็นการปรุงแต่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกาหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานได้นั่นคือโยอมก็คือต้องเห็นซ้าแต่ถามว่าการเห็นสิ่งเหล่านี้จิตยังสร้างการเกิดมายัางสร้างการเกิดยังหลุดพ้นจากวัฏฏะไม่ได้แต่ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ทาให้เบื่อหน่ายในสวนรูปได้ไหมได้นะ เรื่ก็จะกราบขอเรียนต่อค่ะคือขณะนั่งอยู่นะคะก็กําหนดลมหายใจอยู่กับลมหายใจเราก็จะเห็นนะคะเป็นธาตุลมหมุนอยู่ในตัวของโยมเนี่ยค่ะก็ก็กำหนดว่ามันจะเป็นอยู่อย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าคือโยมนั่งมาประมาณเกือบ4ปีนั่งแบบแรกคือยุคหนอ่อพองหนอแบบที่สองพุทโธแล้วก็มาพ่วงจับรู้จักอาจารย์ดูจาก YouTube ก็เริ่มปฏิบัติแบบพระอาจารย์เนี่ยค่ะตั้งแต่ดึเมื่อกรามา ก็เห็นอย่างนี้เตือนบอกว่าก็กํานไม่ทราบว่ามันถูกหรือเปล่าว่าเห็นลมหมุนอยู่ในกายตลอดเวลาต<ร>ั้งแต่บัวอันนั้นเป็นเป็นการปรุงแต่งของจิตหลักๆคือเพียงแค่รู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกแล้วคอยดูว่าจิตที่รู้ลมเนี่ยเคลื่อนออกไปไปนึกไปคิดไปรู้สึกสุขทุกพอใจไม่พอใจหรือเปล่าแล้วกลับมาลงต้องเห็นการทํางานของจิตที่เคลื่อนไปในทางต่างๆอย่างนี้อ่า ก็ต้องอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆกลับมาอยู่กับลมผู้เจ้าบอกอย่าลืมลมหายใจนะนั่งประมาณมาละชั่วโมงอดีดีเรื่อยๆมีไหมไม่หลุดเลยไม่ไม่ไม่เกิดับเลยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะวิญญาณเกิดดับตลอดอ่ามีบ้างไมที่ได้เหมือนชนาด้วนิ่งแล้วก็อยู่ลมหวิญญาณของใครไม่ดับบ้างหละ ในโลกนี้ไม่มีมมและ ว, วิ ญ, ญญาณไม่ใช่ของใครวิ ญ, ญญาณเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้พูะเจ้าตรัสว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิ ญ, ญญาณไม่มีของใครมันเป็นธาตุที่เกิดดับตลอดแต่การสืบพัฒาก็ทให้เราอยูไ ด, ด้านขึ้นแค่อยู่ได้นานขึ้นแต่ที่สุดก็ดับอยู่ดีอันนี้เป็นเป็นบทที่พเจ้าตรัสไว้ นะว่าผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตรณีย่อมถวายทานตามกาลสมัยในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วทักศินาทานย่อมมีผลอันไพยบุ์ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนี้ ทักษินาทานนั้นมีได้บกพร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลยแม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแหน่งบุญด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคล <c oughs> ไม่มีจิตท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการข้างหน้าได้แลอันนี้ก็จะเป็นพุทธวจนะที่ตรัสอนุโมทนาเวลาพวกเรามาถวายทานนะ ที่พระอนุโมทนาตอนเช้านะกาเลทัตันติสปัญญาวทันยูวีธรม ร, ธรมชาตนี่เนธรรมจารย์ว่าร่างกายเรากับจิตเราเนี่ยมันผูกกันด้วยอะไรครับผูกกันด้วยอุปทานนะความเข้าไปยึด <c oughs> อุปทานมีเพราะตัณหาเพราะเราพอใจ พอใจเพราะว่าขันห้านั้นมันมีอัาธาคือรสอร่อยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเห็นแต่รสอร่อยของขันห้าจึงยึดติดขันห้าอยู่แต่ถ้าสัตว์เหล่าใดเนี่ยมาเห็นท้องอดมาเห็นอาทีนาวะของขันห้าเนี่ยสัตว์เหล่านั้นเนี่ยจะถอนอุปทานความยึดจากขันทั้งห้าได้ดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีการพิณาเห็นโทษของขันห้าให้มากเช่นพิณาอสุพะเห็นความไม่งามของกาย หรือเห็นการดับการแตกสลายของนามธรรมนั่นคือการเห็นโทษการมองลมหายใจอย่างเดียวสามารถทําให้ละตรงนั้นได้ไหมครับเป็นได้ถึงพระหลานเลย <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าลมหายใจเนี่ยถามว่าใครเป็นคนรู้วิญญาณขันเป็นผู้รู้นะลมไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรใครเป็นคนรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะวิญญาณขันรู้ขณะที่เรารู้ลมเนี่ย พระองค์บอกว่าใครรู้ว่าใครเนี่ยมาดูว่าผู้รู้เนี่ยกำลังรู้ลมคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตจิตเราไม่ได้รู้อย่างอื่นแต่จิตเรากำลังรู้ลมและจิตที่รู้ลมเนี่ยรู้ตลอดไหมไม่ตลอดมีการดับมีการเกิดขณะที่จิตหายไปจากลมโยมไปคิดเรื่องอดีตโยมจะเห็นรูปดับนามเกิดเวลาโยมดึงกลับมามีสติดึงกลับมาโยมจะเห็นนามดับรูปเกิดนะ่ะ ใครเห็นตรงนี้พระองค์บอกว่าผู้นั้นกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้และไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เดินตามนี้ไปจนถึงพระหานได้เลยแค่นี้เองนะปล่อยวิ ญ, ญญาณตัวเดียวก็ได้ปล่อยรูปนามสี่ตัวก็ได้เพราะมันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะที่ภาษาลูกเปรียบเหมือนไม้2กงกำพิงกันถ้าดึงกำนี้กำนี้ก็จะล่นหรือพระาศาสนาเปรียบเหมือนแสงกับฉาก ที่ต้องอาศัยการเกิดขึ้นพร้อมกันของสิ่งสองสิ่งนี้วิญญาณกับนามรูปนะนั้นการรู้ลมหายใจเนี่ยพระองค์จึงตัดบอกอันนี้สองไว้ว่าผลที่เธอหวังได้สองอย่างคือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีบุคคลนะลมหายใจก็คือสติหรอครับการรู้ลมหายใจคือสติ <c oughs> พระองค์ตัดไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานาสติการรู้ลมหายใจ ว่ามีได้แก่ผู้มีสติอลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาพิเลมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้มีสัมปชัญญะมีสติถูกต้องมีความเพียรเผาพิเลถูกต้องหมดเลยขณะที่รู้ลมหายใจนี่คือมุมที่สาวกมองไม่ออกดังนั้นเราจรึงต้องมาศึกษาพุทธวจนะ พระองค์เนี่ยแยกภายมากรู้ลมอย่างเดียวเป็นสติปัฏฐานสี่ครบเลยใครมองลมเป็นการเห็นกายในกายเป็นกายานุปัสสนาใครมองเวทนาขณะรู้ลมว่าไม่ได้สุขทุกข์อะไรเฉยๆเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใครมองว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาใครเห็นอาการจิตที่เคลื่อนไหวไปมาเกิดดับเป็นธรรมานุปัสสนาะครบเลยผู้เจ้าอธิบายไว้ยาวมากสิบกว่าหน้านะ อยู่ในอลิศสัตว์จะโอดภาคต้นหน้าแปดร้อยกว่ากว่าอาจารย์ก่าอาจารย์ครับพอดีผมช่วยตรวจพุจชนาเล่มสิบเก้าที่จะเข้าลงพิมพ์เนี่ยนะับก<อ>็ไปเจอหัวข้อหนึ่งหนึ่งสี่แปดเนี่ยก็น่าสนใจอยู่อยากจะทดลองว่าเนี่ยดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจเมื่อเจริญจะทำให้มากซึ่งอิธิบาตสี่อย่างนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง เช่นคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้และมีพยานใหญ่แต่ว่าเหเออนเดินอากาศลุยน้ำได้หมดะนะครับใช้อำนาจทางกายไปตลอดผมมโรบได้เนี่ยก็อยากจะขอเรียนถามว่าทำเฉพาะอิทธิบาทสี่ทนั้ น, นีย่ยังมีพระสูตรอื่นมาที่ว่าต้องจำอื่นด้วยซึ่งเราจริงจะเหาะได้ไปทั้งกายเนื้อเนี่ยเลยอ๋อก็ในนี้มันเขียนไว้คล้ายๆอย่างเงี้ยอ่านอันนั้นคือการที่วงจัดในมุมของอิทธิบาทสี่ครับ แ้วแต่ในมุมของสมาธิก็คือต้องเจริญจตุตฌานฌานที่สอ๋อต้องนู่นด้วยใช่ไมใช่ใช่แล้วอิธิบาทสี่นี่ที่ฉันทะวิทยะจิตตาวิมังสาเนี่ยใช่งใช้ประกอบกับสมาธิจิตตานี่ถือว่ามันทําจิตก็คือสมาธิแบบอนามิติด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่วิทยะให้อธิบายนี่ตัวไงผมยังแปลฉันทะในความหมายอิทธิบาสี่เนี่ยยังไงฮะแปลว่าฉันทะคือความพอใจขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเรามีสันทัศในลมหายใจไหม ถ้าเรามีสันทัในการรู้ลมหายใจเนี่ยจิตยมจะไม่เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นอ่าแต่การที่จิตเนี่ยเคลื่อนไปอารมณ์อื่นเนี่ยแสดงว่าเรามีสันทัศในอารมณ์อื่นเราพอใจมันเลยวิ่งหนีไปโนนเพราะเราเลิกพอใจตรงนี้แล้วเราจะไปพอใจตรงน้นต่อจิตจะไปตามที่ตนเองพอใจเรียกนกติความน้อมไปจิตจะน้อมไปตามที่เรามีสันทัศในสิ่งสิ่งนั้น แต่เราต้องปฏิบัติตามฝ่าไม้นี่<ช>ไม่ใช่ว่าไปพอน้ำกับฉันถ้าวิญญาจิตต์หรืังสัยจะไปได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รู้บทพระณนะแล้วเนี่ยเอามาฝึกทําให้จิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจหรือกายของเราอันเดียวพระองค์เคยอธิบายละเอียดเพิ่มในตรงนี้ว่าพระองค์ตั้งจิตไว้ในกายตั้งกายไว้ในจิตจะทําให้กายของพระองค์เนี่ยเบาเหมือนปุ๋ยนุ่นเนี่ย <c oughs> ก็สามารถแสดงอํานาจทางกายไปได้ตลอดจนถึงพรหมโลกได้ <c oughs> ก็คือไปด้วยกายเนื้อเนี่ย กายที่เป็นมหาพุทธธาตุสีเนีอ่านเขียนว่ามหาพุทธธาตุสี่กายเนื้อนี่นะฮะใช่ใ่ถ้าเราจะทดลองปฏิบัติดูนี่ก็ไม่ผิดอะไรจชากจับกลุ่มสักสิกว่าคนลองดูที่คือพิสูุนธรรมะพุทธเจ้ามันจะไปได้ไหมอย่างเงี้ยคือถ้าอินทรีย์น้อยเนี่ยมันจะทําให้เนินช้าอ่อนเดินช้านะเพราะว่าในเรื่องแต่ละเรื่องมันไม่ใช่ทําได้ง่ายๆ บางคนอาจจะต้องใช้ห้าชาติสิบชาติสมัยใช่ๆชเลยความรู้อันดับแรกที่พระองค์ว่าควรรู้ก็คืออริยสัจสีดีกว่านะแต่ถ้าบรรลุทำแล้วอยากแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วอันนั้นค่อยว่ากันทีหลังได้อ่ขอบคุณครับอ่าฮะอ่าฮะันทะ อ่ะฮะฉันท่าเป็นุณเหตุแห่งทุกข์อะฮะใช่ฉันท่าในอิทธิบาทสี่ใช่ไหมคือฉันท่าในอิทธิบาทสี่เนี่ยเป็นองคุณเครื่องให้เกิดความสำเร็จโยมต้องอาศัยมันก่อนแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วฉันท่าเป็นสิ่งที่ต้องละนะดังนั้นความพอใจในนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ต้องละด้วย พระลานขีนาศพทั้งหลายจะละความพอใจในนิพพานแต่ความพอใจต้องมีในอันดับแรกเช่นพระองค์ยกตัวอย่างว่าฝั่งนี้นะมีอันตรายฝั่งโน้นปลอดภัยมีน้ำขวางอยู่เนี่ยนะเราต้องการข้ามไปฝั่งโน้น <c oughs> เธอต้องใช้ฉันทาในการรวบรวมหญ้าและไม้แห้ง <c oughs> เพื่อมาทำเป็นเรือแล้วเพียรพยายามไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างของเธอนะแต่เมื่อถึงฝั่งโน้นแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่า เธอจะกังวลไหมว่าแพนี้มีอุปการะมากต่อเราชะไหนจะแบกขึ้นบ่าหรือทูนไปบนหัวไปด้วยกันสาวกก็บอกว่าไม่นั่นนะ่ะก็คือทำทั้งหลายที่เราแสดงเนี่ยก็ต้องปล่อยวางหมดนะจะป่วยเกาปรปยายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ทำดังนั้นฉันท่านเนี่ยต้องใช้อันดับแรกนะเมื่อถึงแล้วเนี่ยก็วางทุกอย่างหมดแล้วครนี้สงสัยต่อว่าอ่าในอริยสัจจกพระโอษนะครับพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าส้งท่านทรงคิดคิดค้น ทำอันมีเป็นเครื่องปงแต่งก็คืออิทธิบาทสีแล้วกรณีท่านบอกว่าท่านสามารถจะเจริญมีพระชนมายุตลอดกาบนี่นะครับโดยใช้อิทธิบาท4เนี่ยทั้งทั้งที่อิทธิบาท4ีเป็นเป็นที่มาแห่งทุกใช่วยไหมครับแล้วคราวนี้ถ้าท่านบรนรลุบรรลุทําไปแล้วเนี่ยทำไมท่านถึงต้องอาศัยฉันท่าอยู่ครับอาศัยฉันท่าในการเจริญอิทธิบาทสีครับ เ, เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ผู้เจ้าสอนให้พระอทหารทั้งหลายเนี่ยเจริญสติปัฏฐานสี่อินทบาทสี่ต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมของท่านเพราะว่าท่านไม่มีกิจอะไรจะทําแล้วนะพระลานบางองค์บรรลุแล้วก็ลาตายนะบางองค์ก็อยู่แต่ถ้าอยู่แล้วเนี่ยไม่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะอยู่ไม่ผาสุกนะองค์จึงสอนให้เจริญสติปัฏฐานสนะี่ครับผ ม, มแล้วสงสัยอีกนิดนึงครับผมอ่า ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าท่านตัดกับผ้านวลนะครับที่บอกว่าถ้าเจริญอิทธิบาตรสเนี่ยท่านจะสามารถอยู่ได้ตลอดกับคําว่ากับในที่นี้นี่หมายถึงว่ากับที่ยาวนานหรือว่าบางบางบางตาราก็บอกว่าหมายถึงกับในที่นี้หมายถึงอายุามนุษย์หนึ่งปีอะครับถ้าดูในที่พุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยกับเป็นเรื่องของความยาวนานที่เปรียบเหมือนภ <c oughs> ูเขาหินแท่งทึกพระองค์อุปมายาว16กกิโลกว้าง16กิโลสูง16กกิโล ร้อยปีมีบุรุษเอาผ้ามารูปทีหนึ่งทาอย่างนี้ทุกร้อยปีจนกระทั่งภูเขาหินนั้นลาบเลียบไปเนี่ยประมาณกับหนึ่ง <ขอ S 1> <laughs> นานมากนะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นความสามารถที่ทำได้สำหรับผู้เจริญอิทธิบาทสเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมนุษย์มีอายุยืนถึงแ0ดหมืนปีนะโอ้ยยาวมากนะ 8,000 ปดหมนปะีนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผู้เจ้ามาเกิดเนี่ยเพราะเหตุแห่งศีลธรรมเนี่ย ตบลงมาเรื่อยๆมนุษย์จึงอายุลดลงลดลงจนทั่งมนุษย์อายุร้อยปีผู้เจ้าเราก็มาเกิดดังนั้นเวลาพระองค์บัญญัติาศาสนาขึ้นมาเนี่ยพระองค์จึงบัญญัติวินัยด้วยนะจากการทูลขอของพระสารีบุตรด้วยนะเพื่อให้าศาสนาเนี่ยมันต่อ ย, ยอดไปได้อีกนานๆข อ, ขอบขอบพระคุณครับเชิ สอถามเรื่องเกี่ยวกับเกิดดับของวิญญาณนะคะมีมีบัง เ, เอิญไปอ่อตอนเวลานั่งสมาธิอะค่ะช่วงแรกๆก็คือจะเห็นเกิดดับละเ อ, เ อ, เ อ, เอียดก็คือเห็นบ่อยจนกระทั่งคือเกิดดับเกิดดับจนกระทั่งนั่งไปสักพักนึงอะค่ะอาจจะมีบางครั้งก็คือจะมีอาการเห็นเกิดดับค่อนข้างชา้าก็คือเหมือนกับเปไม่แน่ใจว่าไปอยู่ในอุเบกขานานเก็นไปไหมหรือว่ามีมีความพอใจในอุเบกขานานเกินไปไหมจะทำให้รู้สึกว่า เกิดปุ๊บแล้วก็หื่ดกว่าจะเห็นเจ็เห็นดักเนี่ยไมีการบัญญัติไหมคะว่าวิญญาณเกิดและดับเนี่ยมีความยาวนานขนาดไหนหรือบคนอยนานก็มีนานก็มีใช่ใช่คือบางทีเป็นชั่วเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันก็มีเป็นชั่วโมงเป็นวันต่อิญาดวงนึงใช่ใช่ไม่ไม่มีจำกัดตรงนี้อ๋อไม่มีจำกัดตรนี้อาจจะยดเป็นชั่วโมงดังนั้นบางคนเนี่ยที่เขาเข้าสมาธิได้นานๆเนี่ยเขาเลยนึกว่าวิญญาณเป็นนิจังใช่หม อ, อย่างนี้จะเรียกว่าเราพอยิ่งออไม่เห็นบันดับเนี่ยจะเรียกว่าเรามีความพอใจในในตัวเด็กขาตัวนี้ไหมค ะ, ะไม่เสมอไปถ้าคนนั้นอยู่กับสิ่งนั้นนานแต่อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะคืออย่างที่พระเจ้าบอกว่าเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นเพื่อให้รู้ให้เห็นว่ามีอะไรยังเกิดยังดับอยู่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ไม่ชื่อว่าเป็นความเพลิน นะโดยที่ไปอยู่กับตัวนั้นโดยที่ไม่ได้ม่ได้เอาคุณผู้โทษไม่ได้เอาเห็นว่ามันมีคุณกับเราโดยแค่เห็นว่ามันยังอยู่เฉยๆใช่มใช่ใช่อาศัยเป็นเพียงเครื่องระลึกเพื่อเห็นการเกิดดับของจิตแค่นั้นคือพอให้เขาเป็นธรรมชาติคือเขาจะดับก็คือดับก็เห็นว่าดับไปนะรัใช่เข้าไปเฝ้าดูเฉยๆอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเราเรามีความพอใจกับการเรียกความพอใจคือการเข้าไปเพลินต่ออัศรธรลดอร่อยของสมาธิ จะเรียกว่าเป็นการตั้งสยบในภายในอันนี้ผิดจนกระทั่งเราถือว่าเราเห็นว่ามันเป็นสุขนะตอนนั้นนี่คือเราเริ่มตัใจแล้วใช่ไหมก็เห็นว่าเป็นสุขก็ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าสุขนั้นก็มีความไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็ดูตัวดับของสุขนนั้นอีกที่ละเอียดลงไประหว่างจังเลนตัดกลางระหวงอุเบกใช่ใช่ เช่นอ่าถามเรื่องปฏิบัติสมุทรบาตเรื่องอาสายดับของสลายยานะถ้าเกิดสลายตนะดับนี่คือดับยังไงถึงภาษาถึงไม่เกิดต่ออะไอ๋อ <c oughs> คือความความเข้าไปเข้าไปรู้แจ้งในสลายยานะว่าอายตนะทั้งหลายเนี่ยทั้งภายในภายนอกเนี่ยมันมี ความไม่เทีย่ยงมีความเกิดดับเป็นธรรมดานะนั้นขณะที่เราใช้อายจตนะเราจะไม่ยึดมั่นในอายจตนานะอันนี้ก็ทําใหออ้อายนะเนี้ยเรียกว่ามันดับไปมันเป็นหนึ่งในการพิจรณาระบบของผัสสนะที่เห็นว่าตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณทางๆไม่ เคยตัดว่าพระอรลหันจะไม่เพลินอย่างยิ่งหรือไม่ผ่านอะไรอก็คือผมสงสัยว่าถ้าพระอัหันเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าอะไรตัดตัดได้ทุกอย่างคือมีสมัติชั้นยะทบบริบูร์ออไรก็คือพระอัลหลัะยังเพลินได้อีกนลครับถ้าพระอัหันเพลินเราจะเป็นอย่างต่อผู้เจ้าไม่ได้บอกว่าพระหลานต้องละต้องอะไรแต่บอกว่าพระหลานไม่เพลินเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดโดยอัตโนมัติของความเป็นพระหลานและความเป็นผู้เจ้าอยู่แล้ว ว่าผู้เจ้าทั้งหลายและผลรน์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เพลิในนิพพานน ะ, ะคือเมื่อละขันธ์ห้าได้แล้วเนี่ยก็ถึงสภาวะของนิพพานแล้วความไม่เพลยในนิพพานก็จะเกิดขึ้นของเขาเองนะไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องไปละอีกเพราะว่าฝึกละแค่ของหนักแค่นั้นเอง โยมผู้ชายข้างหลังเมื่อกี้เห็นยกมือมีใครไหมไม่ยื่เขากาะเฉพาะจานทร์เ่อก่อนน้นโยมตอนที่โยมนั่งสมาธิแล้วโยมก็ทำตามต า, มตามกันก็คือชอบตื่นมานั่งสมาธิตอนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคือมาที่นี่แล้วมาฟังเรื่องของบทพระสุนนะบ้างอะไรบ้าง คือโยมก็บอกหนูว่าเวลาโยมติดมานั่งทีหนึ่งทีสองมันทําให้การนอนต่อไปมันไม่เป็นระบบเลยค่น ะ, คะ uh huh. นอนต่อได้ไม่มั่งไม่ได้มั่งอะไรเง uh ี huh. ้ยพอมาฟังเรื่องบทก็สนะว่ทําความเพียนมากมันอาจจะไม่ไม่ดีหรือเปล่า uh huh. ยมก็เลยเดี๋ยวนี้เลยไม่ทําแบบนั้นแล้วก uh ็ huh. uh huh. คืออลงวันอย่างเดียวพอคือนอนอย่างเดียวออย่างนี้ควรจะไม่ควรครับเพราะว่าก็ยังเห็นคนที่ก็ยังเอความเพลินอย่างนั้นอยู่อะคะ่ะ ก็พเจ้าให้เวลานอนประมาณเท่าไหร่ล่ะยามสองสี่ทุ่มถึงตีสองให้นอนนะเวลานี้เป็นเวลาที่ควรนอนตื่นมาตีสองตื่นมาแล้วค่อยปารบความเพียรด้วยการเดินสลับนั่งต่อไปเหมือนแต่เราแต่เราจะหย่อนก็ <laughs> ลองดูเอา <laughs> ปลารบความเพียรอย่างพระเจ้าเนี่ยสิบหกชั่วโมงนะตั้งแต่หลังฉันไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี ยามสองนอนยามสามตื่นแงว่านอ่อนมากเลยทำแต่ก็งวลอย่างเดียวก็คือทำถึงสีทุ่มก็พอแล้วแล้วก็นอนถ้าเราจะหย่อนก็เอาตื่นตีสามตีสี่ก็ลบไปหนึ่งหรือสองชั่วโมงเอาอ่าฮะเจริญการเดินอ่อนกายเนี่ยใจมีสติอยู่กับอยู่กับกายเป็นการเดินม่ครับเป็นคือเป็นการเดินอย่างมีสตินั่นเองใช่ใช่รยะทาง แล้วแต่เหมือนเดินมินทบาตเนี่ยก็เดินเอาจิตอยู่กับกายแต่ละก้าวแต่ละก้าวก็ถือเป็นการเดินจงกรมไปด้วยจิตทอดผูพระองค์ให้ใช้ธรรมวิจยะให้ควรสอดส่องทนะจิตทอดูไม่ควรทำสมาธิ จิตฟุ้งซ่านนะควรทำสมาธิไม่ควรใช้ธรรมวิจยาแต่สติเนะี่ยแก้ได้ทุกเรื่องนะนั้นโยมใช้สติอย่างเดียวก็ไม่ต้องกังวลว่าจิตดดหดูหรือฟุ้งซ่านคือกลับมาระลึกได้ถึงลมหายใจของเรากลับมาเรื่อยๆอย่าง เชิญเ น, น่ิการทำสมาธิได้ได้ได้ก่อนนอนเนี่ยผู้เจ้าให้ตั้งจิตเป็นสมาธิก่อนนอน ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไ, นะได้หลับไปเลยก็ได้ก็คือก่อนนอนเนี่ยให้ตั้งจิตว่าจิตเราเนี่ยจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนแค่นั้นเองนั่นชื่อว่าเป็นผู้มีสติเวลานอนแล้วส่วนเวลาทำสมาธิจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ทุกคนเป็นหมดผู้เจ้าก็เป็นแต่เวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะไปลาคาญเหมือนผู้เจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ลาคาญแต่พระองค์เนี่ยเรียนรู้มัน ว่าจิตเนี่ยมันทานํางานยังไงดังนั้นเวลาจิตพระองค์หลุดไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้พระองค์บัญญัติได้เลยว่ามันจะหลุดไปในอารมณ์อะไรบ้างเห็นนะแล้วขณะที่มันหลุดไปหลุดมาเนี่ยพระองค์ก็บัญญัติอีกว่ามันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเห็นนะขณะที่มันหลุดไปปั๊บเนี่ยมันจะมีธรรมชาติหนึ่งหายไปธรรมชาติหนึ่งเกิดขึ้นดึงกลับมาธรรมชาติหนึงหายไปธรรมชาติหนึ่งเกิดขึ้นพระองค์บัญญัติได้ว่าจะทําให้เราเห็นรูปนามเกิดดับเห็นนะดังนั้นเนี่ยการเรามาทําสมาธิคือเรามาม เรียนรู้กระบวนการทำงานของห้าธรรมชาติเนี่ยว่าวิญญาณขันเนี่ยทำงานกับรูปนามยังไงอะไรคือจิตของเราวิญญาณเราอะไรคือรูปนาม น, นะมาสังเกตสิ่งเหล่านี้นะไม่เป็นไรก่อนหลับขอให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลก็ใช้ได้แล้ว เชิญเอยูอ่ดีนะผู้ใหม่ถามทั้งนั้นเลยออ่ อ, อ, อส ม, ม้ไปก็ได้นะ อ, อ๋อทานหมดละเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เปลี่ยนฐานให้ไม้ด้วยนะอแล้วหนึ่งสองอครับ ในเรื่องของการทำสมาธินะครับถ้าสมมติว่าพอดีเพิ่งฝึ ก, กเริ่มทำ น, นะครับก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านพอสมควรนะครับแต่ก็ออลองถามกระทาง เ, เวลาไปทำบุญไงครับบาที่ก็จะลองถามพระนะครับท่านให้คำแนะนำว่านะครับว่าถ้าฟุ้งซ่านมากมากไงครับรู้สึกว่าเป็นสมาธิเลยก็ให้พักพอนให้พักก่อนแล้วรู้สึกว่าจิตเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาฝึกสมาธิอีกครั้งคิดว่า จะเรียนถามอาจารย์ว่านี่คือถูกต้องหรือเปล่านะครับเออมันก็ถ้ามากมากจริงๆทำไม่ไหวก็พอได้นะแต่ถ้าบ่อยๆมันก็ต้องสู้กันนิดนึงนะคือลองสู้สักพักหนึ่งก่อนแล้วถ้าไม่ไหวค่อยค่อยไปทำอย่างนั้นนะนั้นลองใช้โพชงที่ผู้เจ้าตรัสไว้ก่อนว่าถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยให้ทำอะไรให้ทำสมาธินะ หรือว่าให้กระทำสติจิตเป็นธรรมชาติที่จะเคลื่อนไหวออกไปเกิดดับอยู่แล้วหน้าที่เราคือไม่ใช่ไปลาคาญมันไม่ต้องกังวลอ่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปไปเอสทําไมมันฟุ้งซ่าก็เพราะมันไม่ใช่เราอ่ะหน้าที่เราคือเวลามันดับเนี่ยเปลี่ยนแปลงปุ๊บเรต้องรู้ตัวและเอากลับมาอยู่ที่ลงหน้าที่โยมคือทําอย่างนี้แค่นั้นต่างคนต่างทําหน้าที่จิตก็ทําหน้าที่เกิดดับของมันเวลาฝนตกโยมําคาญมไหมเวลาแดดออกโยมําคานไหม แดดก็ทำหน้าที่มันฝนทำหน้าที่มันเราก็มีหน้าที่กลางล่มอยู่ในล่มเราทำหน้าที่ของเราจิต ด, ดับพับเรารู้ตัวเอากลับมาที่ลมหายใจทำแค่นั้นเองอย่าไปรู้สึกลำคาญกับพลายไงเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ตามความปรารถนาของวิญญาณว่าวิญญาณเนี่ยจงอยู่นานๆอย่าดับเลยนะมันเป็นไปไม่ได้นะ พอดีเคยอีกหนึ่งคำถามนะครับพอดีได้เคยได้ยินมาว่าถ้าเราทําสมาธิได้ในระดับหนึ่งนะครับจะไม่ฝันอันนี้จริงหรือเปล่านะครับอาจารย์ฝันน้อยลงแค่นั้นเองในเรื่องไม่ฝันนี่พระหลานยังฝันเลยน ะ, ะพระทัพพระมารุบุตรเนี่ยพระทัพพระมารุบุตรก็เพราะว่าสาวกก็พูดกันสาวกท่านหนึ่งบอกพระหลานไม่ฝันอีกท่านหนึ่งบอกก็หลานฝัน อีกท่านนึงบอกพรหลานฝันน้อยที่สุดตกลงแล้วเชื่อใครดีเราก็เลยตรวจกับพุทธวจนะที่พระองค์สอบสวนกับพระทัพพะมาราบุตรนะพระทัพพระเนี่ยซึ่งเป็นพระหลานเนี่ยตอบว่าแม้แต่โดยความฝันข้าพระองค์ยังไม่ฝันเสพกรรมนั่นแสดงว่าพระหลานก็ฝันจะไม่ฝันเสจการรมขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับใ น, ในการทําสมาธินะครับ <c oughs> ร จ, จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราควรที่จะนั่งยาวๆเลยหรือว่าเราควรที่จะ ถ้าเรามีเวลาน้อยไงครับเวลาว่างสัก5นาทีไงก็ตามลมหายใจนี่ก็ถือว่าถือวเป็นการสะสมไหมครับสะสม <c oughs> ผู้เจ้าขอแค่รัดนิ้วมือเดียวเนี่ยเอานิ้วมือวางอแบอกถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินหนางจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดา ป, ปฏิบัติตามโอวาทเห็นนะผู้เจ้าไม่มีการพูดเล่นนะ <c oughs> และในขณะที่ทากิจ ทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับทำกิจกรรมอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะตามลมหายใจ น, นี้จะถือว่าสมาธิเรานิ่งหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะต้องหยุดทุกอย่างแล้วถึงจะม า, มาตามลมหายใจหรือว่าสามารถทําไปได้พร้อมๆกันนะครับทํากิจการงานควรจะอยู่กับกิจการงานนั้นๆั้เราถ้ากิจการงานที่มีความละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะโยมขับรถมานั่งรู้ลมเดี๋ยวก็รถชนอลยอย่างเงี้ยอ่าต้องตั้งใจขับรถตั้งใจกวาดบ้านตั้งใจล้างจานอ่า นะสติอธิษฐานการงานเนาะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเหมือนกันได้ใช่นหมครับสติในการขับรถสติในการทำงานกับสติในการเข้าถึงธรรมะในการเห็นเกิดแับเป็นตัวเดียวกันนะครับพระองค์บอกเป็นไปพร้อมเพื่อสติสัมปชัญญะเหมือนกันนะเพียงแต่มันละเอียดไม่ไม่เท่ากันนะ่ะนะมันวงมันกว้างนะ่นะ พอตัวการงานเนี่ยมันยังนึกคิดปรุงแต่งได้แต่มันมีกรอบของงานคือถ้ายอมไปคิดนอกงานเนี่ยยมจะรู้ตัวว่านอกงานแล้วและจะต้องมีการละความเพลินที่ออกไปนอกงานเนี่ยกลับมาที่งานดังนั้นยอมจะได้งานทางธรรมเนี่ยระดับหนึ่งและงานทางโลกยอมก็จะดีเพราะว่าใจจดจ่ออยู่กับการทำงานเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกัน ทำไมคนเราต้องทำบุญ <c oughs> เที่ยมเลยนะบุญเนี่ยมีหลายอย่างการให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญทำสมาธิก็เป็นบุญพิณาด้านปัญญาก็เป็นบุญการทำทานเนี่ยต้องทำเราต้องรู้จักทำบุญด้วยการให้ทานเพราะพระองค์ตรัสว่าจิตที่ตรณีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผล นะจึงต้องมีทานการให้วิธีตั้งจิตในการทำทานเนี่ยให้ตั้งจิตว่าเราจะปราศจากความตรนะีการที่จิตละความตรนีในการทำทานเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์อันใหญ่ดงนีนะ้การทำทานเป็นการละเพื่อความเห็นแก่ตัวละความเห็นแก่ตัวนะละความยึดมั่นในวัตถุเข้าของต่า ง, า ง, างนะนะเพราะว่าเราจะต้องพิจารณาว่ากายนี่ไม่ใช่เรา แต่ถ้าเรายังเห็นว่านี่ก็ของเราของเราเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยความยึดมั่นมันก็จะมากจึงต้องมีการเสียสละตามกำลัง่งส่วนการรักษาสินก็คือมาฝึกกายวาจาให้ดีก็เป็นบุญเหมือนกันนะที่ละเอียดขึ้นมากระดับหนึ่งแล้วก็ทำสมาธิก็เป็นบุญที่ทำจิตให้ตั้งมัน่นะซึ่งจะมีอันที่สงมากกวารักษาศินมากกว่าทาันอีกเป็นพันเป็นหมื่นเท่า อนุญาตครับก็ผมก็เป็นชาฟุธมาตั้งแต่เกิดคือพทธตามบัตรประจำตัวตามทะเบียนบ้านแลซึ่งอยู่มาระยะหนึ่งช่วงปีสี่กสิบแปนก็ได้ศึกษาอ่านหนังสือจากหลวงพ่อพุทธทาสก็เข้าใจในระดับหนึ่งแลอยู่มาช่วงหนึ่งระยะหนึ่งก็มียติธรรมเอาหนังสือหลวงปู่ชามาให้อ่านที่บ้านก็เริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อย มีวันหนึ่งแฟนได้นำซีดีของพระอาจารย์ไปที่บ้านผมมาเปิดฟังและดีดนิ้วเลยพ่อพร ะ, ระอ๋อผมพบแล้วผมเจอแล้วที่ผมไสศึกษามาแล้วแ ต, แต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้ซีดีจากท่านเพราะผมอยู่ค้อบครยที่สุรินทร์นะครับสิที่ได้ซีดีจากท่านเนี่ยคือท่านรับนิมนต์จากเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ไปเมื่อสองสปีที่แล้วอ๋อ แต่ผมก็พยายามบอกทุกคนว่าถ้าคนอยู่แถว น, นี้ญาติพี่น้องอยู่แถวแถวลำพุทธการก็บอกให้มาวิวัดท่านแล้วผมได้มาโอกาสได้มีโอกาสมานมาสการท่านเป็นครั้งนี้กับครั้ง ท, งที่สองคร<อ>ับครั้งแรกปีที่แล้วมา<อ>บวชหลานชายซึ่งหลานชายก็ได้มามาบวชที่วัดนี้เลยผมแนะ <laughs> นํามาก็ม่เคยหนมาเดียวนี่เมื่อนนี้เมื่อกี้ผมฟัง จากท่านที่บอกว่าให้เราช่วยกันแนะนําสอนอบอกอถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพุท ธ, ธวัตน์เนี่ยแต่ผมนี่ไม่มีวาทศิลในการถ่ายทอดผมก็นเลยอยากเรียนถามว่าซีดีหรือหนังสือที่ท่านทําตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยพอมีรวบรวมไหมครับผมเพื่ผมมีแนวคิดไว้ว่าผมจะเอาไว้ที่บ้านนะไว้ที่บ้านผมจะเปิดไว้ ให้ญาติธรรมข้างบ้านเนี่ยมานั่งฟังนั่งอ่านหนังสือนั่งเปิดซีดีธรรมะฟังอย่างเงี้ยจะเปิดเป็นห้องเป็นที่เฉพาะเลยเนะฮะพระองค์าามาตรการครับนี่มีมีเดี๋ยวก่อนกลับมารับได้รับหนังสือไปด้วยมาไกลเนี่ยใครมาไกลๆรับไปเยอะเยอะหน่อยอืา ก็มีมีหลายหลายหน่วยงานหลายวัดตอนนี้ก็เปิดพุทธวัฒน์ตลอดนะนี่ก็มีพระจากหนองคายพระจากนครศรีธรรมราชอ่านะครศรีธรรมราชนะเชื่ว่าที่นั่นมาแล้วก็มาต่อข้อมูลพระจากที่สวีเดนพระจากที่ซีแอตเทิลพระจากสุราษนะหลายๆที่นะมามากขึ้น รู้สึกว่ากเา็เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มมีศรัทธาในพระตถาคตนะนั้นจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยถ้าเข้าไปศึกษาคำตถาคตเนี่ยอาตมาเชื่อว่าทุกคนมีอินทร์บารมีที่พอจะรู้ตามได้นะเพราะธรรมะนี้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่จำเพาะเจาะ จ, จงแก่ใครนะแต่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยรู้ธรรมะนี้ไม่ได้นะ นั้นถ้าโยมไม่ละความเพียนเนี่ยโยมเข้าใจธรรมะนี้แน่นอนนะเสพครบให้มากฟังบ่อยๆฟังซ้ําๆแรกๆอาจมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่อาศัยว่าเสพครบมากนะหนังสือห้าเล่มจากพ่โอดนี่อยู่หัวนอนเลยนะเดินมาอ่านเดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จอ่านสงสัยไล่เปิดอ่านข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างเดียวเปิดแต่พุทธวจนนะนะ ในหัวเราก็จะมีแต่พุทธวจนะอย่างเดียวการเชื่อมข้อมูลพระธรรมของท่านมันก็จะเชื่อมกันเชื่อมกันเราจะเห็นเลยว่าคําสอนท่านเนี่ยเชื่อมรับกันหมดเลยนะได้ประโยชน์ก่อนญาตครับปัจจุบันนี้ผมลงเฮนิไดไว้แล้วก็เปิดใส่เครื่องเล็กๆนองทีหัวนอนือซึ่งประโยชน์ที่ได้ฟังคืออย่างเก่งแค่เปอร์เซ็คือนเปอร์เซนแรกก่อนหลับครับ แล้วตอนหนึ่งเปอร์เซน์หลังจากที่ตื่นแต่ผมจะเปิดทั้งคืนเลยมีผู้รู้บางท่านที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณท่านจะบอกว่าถึงแม้เราไม่ได้ฟังแต่ว่าดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณที่ใกล้ๆเราได้รับฟังก็เป็นการคุ้มครองเราด้วยเพื่อแผ่ให้กับจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่อยู่ใกล้ๆด้วยเพื่อเพื่อแผ่เฉยๆแต่ไม่ต้องคุ้มครอง เขาเขาคุ้มครองเราครับก็นั่นนะ่นะสิเทวดาไม่ไม่มีหน้าที่อะไรจะมานั่นถ้าไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาเฝ้าโยมมันจะไปเกิด <Pizza> นะแต่ <separation> กเกือ้อกลุ่นเกื้อกูล <ๆ S 1> กันได้นะเกื้อกูลในลักษณะอย่างนี้ว่าผู้เจ้าบอกว่าถ้าเราเนี่ยแผ่เมตตาให้กับพรหมให้กับเทวดาเดนี่ยจะเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างพรหมเทวดากับเราแต่นั่นก็คือเหตุปัจจัยตามกรรมที่เราได้ทํานั่นเอง ใช่ไหมก็เลยมีกรรมต่อกันตรงนีนะ้แต่จริงๆไม่มีใครที่โดนบันดาลอะไรให้ใครนะถ้าโยมจะตายก็คือเทวดาก็ช่วยไม่ได้นะ ใหมครัท่านขึ้นเมาจะได้ได้ยินสืบเนื่องจากวันก่อนได้ฟังข่าวท่านฟ้าหญิงาาจุลาพรท่านไปทำพิจัยอะค่ะบอกว่า เ, เราจุดธูปกันมากนี้มันจะเป็นควันพิษนะคะนี้อาจาียนถามท่านอาจารย์ว่าการถ้าเราไม่ไม่จุดธูปบูชาพระรัตนตรยจะเป็นไรหรือไม่อะคะไม่เป็นไร ไม่ไม่ได้มีบัญญัติว่าจะต้องทํา ะ, ะนะแล้วเราถวายข้าวถวายน้ําพระพุทธเราไม่ต้องจุดธูป ก, ก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องถวายก็ได้ท <c oughs> ่านไม่มาอยู่ฉันแล้วแล้วทำไมคือก็เห็นที่ปฏิบัติกันนะคะ่ะ <c oughs> คือก่อนก่อนที่เราจะนิมนต์พระสงฆ์มาอให้สิ่งให้พรอ <c oughs> ลไวก็เขาก็จะมีพิธีที่ว่าไหว้อาหารแต่กับพระพุทธนะคะก็ไม่ไม่มีที่พเจ้าบัญญัติเนาะ อ่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะที่เขาทำตามตา ม, ตามกันมาเฉยๆ อ, อีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์อยากถามว่าเมื่อเราทำสมาธิแล้วการประพฤติปฏิบัติประจำวันถ้าเราจะสวดมนต์นะค ะ, ะเราในระดับที่เป็นประชาชนแบบนี้เราจะสวดมนต์บทไหนจึงจะเหมาะสมะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือจากที่ว่า การสวดมนต์คาถาชินะปัญชรหนูทราบจากท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราทำํำกรรมของเราคิดว่าเราทําดีเราสวดแล้วก็จะเป็นคุณแก่เราแต่ถ้าหากเราคิดว่าเราทําคุณความดีไม่เพียงพออาจจะไมะ่ดีกับตัวเราเองไม่ทราบว่าจะปฏิบัติยังไงได้อ๋อ<ด>ไม่ น, นั้นไ ม, ไม่ไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่คําคตั้งแต่คต ถ้าโยมต้องการจะสวดก็สวดอย่างผู้เจ้าดีไม่ละ่ะเรามาดูว่าผู้เจ้าวสวดอะไรใช่ไหมรัตถาคตเนี่ยสวดกฎอิทับปัจจยตาสวดปฏิจจสุบาทไม่ถึง5นาทีเสร็จพอแล้วสวดเปิดผู้เจ้าเลยผู้เจ้าอยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพระองค์สวดกฎอิทับปัจจยตาอิมัสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุ ป, ปาธาอิทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่ไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยกฏอิทัพปัจเยตาแล้วก็สวดสายปฏิจจสูบานนะเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายสายเกิดสายดับก็พอแล้วน ะ, ะเดี๋ยวไว้มารับหนังสือเสดมนตัฐ <laughs> า, ายทําได้นะหน้ายีสองปฏิจจสูบานนะ เวลาเราสวดเนี่ยเราควรสวดอะไรเราควรสวดหลักธรรมชั้นลึกของพระุทธเจ้า<ม>ที่พระุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่ควรรู้อันดับแรกของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยคืออริสสัตตีดังนั้นโยมต้องรู้จักอริสสัตตต้องรู้จักมัคคีภูมแปต้องรู้จักอนาปานาสติที่พรุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคตหรือเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนะต้องสวดปฏิจจสุบาทเนี่ยเราเลยรวมหลักธรรม ชดเด็ดเ ด, ดเอาไว้อะนะให้โยมได้สาธยายเนาะพรกาครับพระอาจารย์ครับร น, น, นี่ครับขวาเขาขวารับอยากให้พระอาจารย์อธิบายที่ว่มีตนเป็นเองเป็นสัณะอีกครั้งครับมีตนเป็นสัณนะแล้วก็การปฏิบัติสมาธิค<อ>รับอธิบายจับลมหายใจนะครับอ๋อมีตนมี ทำเป็นที่พึ่งก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นแนหะคือการรู้ลมหายใจคือมีตนมีทำเป็นที่พึ่งพระองค์บอกกับพระนลว่าการมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณนะมีทำเป็นประทีปมีทำเป็นสรณนะคืออะไรเล่าพระองค์ก็อธิบายสติปัฏฐานสี่ต่อเวลาอธิบายสติปัฏฐาน4ีเนี่ยพระศาสดาอธิบายด้วยอนาปานาสติก็คือให้เรารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานสี่ก็จะบริบูรณ์ รู้ว่าหายใจนี่ให้รู้สึกถึงตรงไหนครับรู้สึกถึงเข้าออกนรู้สึกตรงใบจมูกรหรือรู้ว่าหายใจเข้าไปหรือพระองค์ไม่ได้บอกก็ไม่ต้องไปนึกสะพ า, างไกายหรืงรู้แค่ลมที่ไหลเข้าไหลออกอยู่กับธาตุลมเอาจิตอยู่กับธาตุลมองค์เคยตัดไห้ว่าให้อยู่กับจมูกลิ้นฟีบปากท้องพุงไม่ได้บอกไม่ได้บอกบอ ก, ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเพระองค์ตัดว่าพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบ นะั่งงอขาเข้ามาผู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเอาจิตเนะ่ยอยู่กับลมเลยที่กำลังไหลยาวออกยาวเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้พูดไม้ลิ้นฟิบ ป, ปากจมูกหนะ้าอกอะไไม่ได้พูดไม่ได้พูดเราไม่ไปเติมบทเป็นชนะของพระองค์ถ้าพระองค์ ทำอย่างไรพระองค์ต้องพูดออกมาอย่างนั้นเพื่อให้เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทาถูกต้องไหมออย่างนี้มีอาจารย์บางท่านผลแนะนําว่าจิตอยู่ตรงลิ้นปี่อันนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงครับไม่ต้องมีความเห็นเลย <c oughs> ในเมื่อพระุทธเจ้าไม่ไม่บอกก็ไม่ใช่คําตถาคตนะโยครับอ่าอาจารย์องค์นั้นต้องเปลี่ยนมามเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้พระุทธเจ้าเปรตไปเหมือนท่านครับใช่ปะอ่า <c oughs> ขอถามนิดหนึงค่ะสมัยพุทธกาลนะคะการอุปสมบทนะคะ <c oughs> ไม่ทราบว่ามีพิธีกรรมยังไงบ้างคะอุปสมบทไม่มีอะไรต้องการถ้าในเขตมัชชิมประเทศต้องการพระสิรูปคือเขตตอนกลางของประเทศอินเดียถ้านอกเขตตอนกลางของอินเดียเนี่ยต้องการพระแค่ห้าลูกนะ ในห้ารูปต้องมีรูปหนึ่งเป็นอุปชาคือผู้ที่ชักนำคุรบุตรเข้าหมู่และรับว่าตนเองจะถ่ายทอดบอกสอนนะอย่างนี้ต้องทำพิธีกรรมในอุปสมบทในในโบสถ์หรือเปล่าคะทำพิธีกรรมในเขตศีมาในเขตศีมาซึ่งในเขตศีมานั้นจะกาหนดตรงไหนก็ได้แล้วแต่คณะสงฆ์นะลานดินก็ได้ในป่าก็ได้ตรงไหนก็ได้ไ<ม>เขตเป็ น, ต, ปนต้องในโบสถ์ใช่ไหมคะไม่จาเป็น นะโบสคืออะไรโบสคือสถานที่ที่ภิกษุเนี่ยใช้ในการสวดทบทวนปฏิโมกซึ่งจะเป็นตรงไหนก็ได้เช่นภิกษุในวัดนี้บอกตรงนี้คือโบสถ์น ะ, ะวันนี้จะมาลงปฏิโมกกันที่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือโบสถ้าบอกว่าเดี๋ยวกลางลานดินตรงนี้แล้วกันนะมาสวดปฏิโมกตรงนั้นก็คือโบสคณะสงฆ์ในที่นั้นกําหนดเขตได้ย้ายได้ทุกที่ เวลาพระไปอยู่ที่ใดเนี่ยคู้เจ้าให้กำหนดเขตที่อยู่ของตนเองเรียกเขตสีมาใ่ ไ, ไแล้วสินของพระมีกี่ข้อคะสินของพระทั้งหมดเนี่ยสิกขาบทมีมากกว่า2 4 0พันสี่ร้อยข้อพระต้องรักษาทั้งหมดนะเพราะนั้นที่เวลาเรามาไปถามพระพระบอกสองสองเจ็ดหายไปสองพันกว่าข้อ <c oughs> ใช่ไ่มเราก็ ไม่ได้รับรองไม่ได้คัดค้านก็ให้พระทั้งวัดเนี่ยอะมาบวชแล้วอาศัยประโยชน์ซะเลยนั่งนับเลยสิพระตปฏิโดกเล่ม1นถึงแเนี่ยคือวินัยปิโดกดูซิว่าสินมีกี่ข้อกันแน่เอาเล่มนี้เอาไปพระกลุ่มนี้นับเอาเล่มนี้กลุ่มนี้นับนับไปนี่ให้นับผิดสักห้าร้อยข้อก็ยังสองพันกว่าข้อนะใช่ไหมอ่าเยอะมากสินจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยบัญญัติก่อนปฏิโมกนะ ที่เนื้อหาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเดรลฉานวิชาการดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกครอบปลุกเสกเลืกยันต่างๆเนี่ยผู้เจ้าห้ามหมดเลยนะบอกพี่สุในธรรมวินัยนี้เนี่ยเธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรลฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึง่งนะสินกลุ่มนี้นี่เลยไม่ค่อยยกออกมาพูดกันนะเพราะมันจะกระเทือนกันหมดพันนั้นทาก็เฉยๆไว้เงียบเงียบเห็นไมอ่า นันนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พระมหอยากอ่านพุทธวจนะอ่านแล้วมันมันต้องมาปรับตัวเองไงใช่ไหมส่วนสินกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นแห่งปรมจันนะคือปฏิโมกจะมี150ข้อและศิลกลุ่มที่3 ส, สิกขาบทกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นอภิสมาจาริกธรรมเป็นสิลที่ว่าด้วยมารยาทและโคตรจบัญญัติพระองค์จัดว่าบัญญัติเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใส และเริ่มใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เรื่มใสแล้วมีมากกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบข้อรวมละสองพันสี่ร้อยกว่าข้อนเช่ถ้าในในทางโลกนะคะเราต้องมีการติดต่อธุร ก, กิจแล้วปรากฏว่าทางลูกค้าเนี่ยนะคะต้องการเล่าบอกให้เราก็เอาเล่ามาให้ลัง แล้วถ้าเลิดเราเราจะเป็นต้องเอาไปให้เราจะบาปมากอยู่ที่เจตนาเราไม่ได้กินนี่ไม่มีอะไรคุณเจ้าบอกไม่ให้ดื่มสุรานะอ่าแล้ววิชาชีโวอก็คืออยากค้าขายเหล้าใช่ไหมไม่ได้ทําเป็นปกตินี่นะเรื่องหึงค่ะเป็นเรื่องของการคอรัปชั่นถ้าบางเกิดว่าจะต้องนํานําจํานวนเงินเนี่ยนะคะนําไปให้บุคคลคนหนึ่งเพื่อที่จะได้ได้งาน เราบาปอีกหรือเปล่าคะเอ่ออย่าไปกังวลมากวิบาก่างเบานะดูเจตนาละกันว่าเจตนาเราเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่าเจตนาเราต้องการทำในสิ่งที่ดีให้กับส่วนรวไมไ้มอย่างนี้นะอาตมาว่าเจตนาเป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะพระองค์จัดว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม นั้นถ้ามหาชนได้สิ่งที่ดีที่สุดนะมันน่าจะเป็นประโยชน์นะการกระทําใดเนี่ยพระองค์ให้พิจณาว่าการกระทํานั้นเนี่ยกุศลเจริญหรืออกุศลเจริญ น, นะถ้ากุศลเจริญให้ทําไปถ้าอากุศลเจริญให้หยุดการกระทํานั้นนะดูผลของมันเป็นตัววัดด้วยสิ่งที่รู้มาเห็นมาได้ยินมารู้สึกมามีคนบอกผู้เจ้าว่าเขา พูดไปตามสิ่งที่เขาเห็นมารู้มาทั้งหมดเนี่ยไม่มีความผิดผู้เจ้าบอกไม่จริงถ้าเรารู้เห็นอะไรมาแล้วเราส่งต่ อ, อ, อไปแล้วทำให้อกุศลเจริญกุศลเสื่อมอันนั้นแหละอย่าส่งออกน ะ, ะให้หยุดเก็บไว้แต่ถ้าส่งออกไปแล้วกุศลเจริญอกุศลเสื่อมส่งออกได้นี่น่าจะเป็นคุณธรรมของนักข่าวมันต้องมีการกันกรองนะส่งออกไปแล้วมาหาชนวุ่นวายไหมถ้าวุ่นวายเก็บไว้ก่อน นะอ่าอย่างนี้ <c oughs> ตรงนี้เป็นหลักในเรื่องของการทําความเพียรด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะความเพียรใดหรือตะบะใดที่ทําแล้วเนี่ยอกุศลเจริญกุศลเสื่อมผู้เจ้าบอกสารีบุตรให้หยุดซะอกุศลมันเกิดแล้วนี่ไม่ได้นะไปใช้กับหลักการามาสูตรด้วยหลักความเชื่อใดๆก็ตามเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสไว้เรื่องการามาสูตร จบปิดท้ายด้วยอะไรด้วยการที่ดูว่าอากุศลหรือกุศลเจริญแล้วกุศลอกุศลเอาเอาอะไรมาเป็นตัววัดผู้เจ้าให้เอาสินสีข้อแรกหนึ่งการฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยเกิดขึ้นไหมการประพฤติผิดในการมเกิดไหมและการโกหกเกิดไหมนะถ้าทำตามความเชื่อนั้นไปแล้วสี่อย่างนี้เกิดเนี่ยอย่าทำตามนะีนะ่เป็นหลัก่างกับนิมัสการขาราชกาครับ สอบถามว่าการการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถาเนี่ยคในทางโลกนี่ยังมองว่าการละทิ้งหน้าที่อยากให้พระอาจารย์อธิบายประโยน์แล้วก็คือมีกรณีอย่างเนี้ยเกิดขึ้นอย่างสมมติว่าเป็นพระหัสมีครอบครัวมีลูกมีเมียนะครแล้วก็ทำตามเจ้าชายสิทธัตถานเนี่ว่ามันมันผิดหรือไม่ครับ หน้าที่ในทางโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกยอดของความเพียรมีสองอย่างความเพียรในทางโลกที่จะหามาได้ซึ่งปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยรักษาโลกเนี่ยนี่ก็เป็นยอดของความเพียรอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่ในทางโลกแต่หน้าที่ในทางธรรมของมนุษย์อีกอย่างก็คือความเพียรเพื่อให้เข้าถึงความไม่ตายการบรรลุธรรมนั้นก็เป็นหน้าที่เหมือนกันนะ และอะไรที่ถาวร อ, อะไรไม่ถาวรคนนึงมองระยะใกล้แค่แก่เจ็บตายในชาตินี้อีกคนนึงมองระยะไกลถึงสังสารวัตอันยาวไกลทํำยังไงจะให้ดับสังสารวัต t ี้ไดนะ้นั้นเจ้าชายศิทิธรรมมองไกลและยังกลับมาบอกสอนอมตะธรรมให้แก่ญาติพี่น้องด้วยอย่างนี้เขาได้อมตะธรรมนะได้โลกุตละทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์คือโลกุตละทรัพย์ นะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองสิ่งเหล่านี้เขาได้มาแล้วมันก็เสื่อมไปดับไปมีลาบก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีทามีสุขก็มีทุกเขาเป็นผู้หลงเขากําลังหลงในสิ่งที่ไม่จรหลังเรากําลังออกไปสแสวงหานะสุขที่ถาวรเพราะเห็นความไม่จริงหลังนะของสุขในทางโลกนั้นเจ้าชายศรีตถาคือยากได้สุขถาวรเหมือนกันแต่พระ อ, องค์มองว่าสุขในทางโลกไม่มีอะไรถาวรนี พระพระองค์ก็ได้สุขทางโลกครบหดแล้วแต่พระองค์ต้องการสุขถาวรนะดังนั้นสุขถาวรในทางโลกเมื่อไม่มีพระองค์ก็เลยออกสแสวงหาและเมื่อสแสวงหาพบแล้วเนี่ยคือการเข้าถึงนิพพานความไม่ตายพระองค์ก็กลับมาบอกสอนนะก็ได้ประโยชน์ถึงแม้จะออกบวชนะในขณะที่พ่อแม่มีน้ําตานองหน้าอยู่ดังนะนะนั้นเจ้าชายศรีสัจาก็ปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะเราต้องการแสวงหาโมฆนะธรรมธรรมะที่เข้าถึงความไม่ตายนั่นจริงๆแล้วท่านต้องการช่วยไม่ใช่แต่พ่อแม่ต้องการช่วยสัตว์โลกทั้งหมดอย่างนี้พ่อก็จะทําหน้าที่เหมือนกัน <laughs> อยากได้คอเกี่ยวกับคือตอนแรกว่าจะมาถวายผ้าเป็นผ้า คาไตอะไรเป็นสังฆทานใช่ไหมฮะแล้วสอบถามโยมแล้วโยมบอกว่าทางวัดต้องการจะทําคันดิน ก, กั้นน้ําให้ถวายเป็นปัจจัยดีกว่าทีนี้ก็สงสัยว่าเองทํายังไงถึงจะให้ถูกพระวินัยโดยถวายเงินเป็นสังฆทานอยากให้พระอาจารย์แนะ น, นํำเลยครับถวายเนี่ยถวายอะไรก็ได้โยมนะเราเตรียมอะไรมาก็ถวายอ น, น, นันตะ์นะเราสะดวกอย่างไรถวายอย่างนั้นนะ การใช้ใจ่ายทรัพย์ของกัลาวั์เนี่ยผ MM ู้เจ้าบอกเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรยาขาทากรรมกรก่อนทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายแล้วก็ส่งคล้อยญาติมิตรก่อนแล้วถึงให้กับสมณะปราบเพราะนั้นให้กับสมณะปราบฐานะที่4หลังจากดูแลตัวเองคนรอบข้างเรียบร้อยแล้วส่วนทานที่ให้เนี่ยอะไรก็ได้สมณะเนี่ยตามมีตามได้นะ กีวรบินบาบาทเสนาสนะเพศาตามีตามได้แต่ถ้าใครมีการพิจารณาไข้ควรถึงว่าเออบุคคลผู้รับทานควรได้อะไรอย่างนี้ก็จะยังประโยชน์ให้กับคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นนะพะเขามีการพิจารณาก่อนแต่บางคนเนี่ยเขาก็มีแค่นั้นนะ่ะมีของเขาเช่นมีข้าบริดีอยู่คนเนี่ยเขาก็มีทรัพย์มากเขาก็ถวาย สิ่งของนะอ า, อาหารเครื่องมุ้งห่มย า, ารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วนะแต่เขาก็บอกว่าเขายังมีหมอนข้างสีแดงนะมีผ้าม่านสีแดงมีบรรลังที่เป็นรูปสัตว์ลายซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่สมณะเท่าไหร่แต่เขาอยากถวายผู้เจ้ารับไหมผู้เจ้ารับอยู่นะรับเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้นะ แต่ผู้เจ้าได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นเออเรามีอะไรเนี่ยเราก็ถวายได้พระจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะทําการเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไรถ้ายมถวายปัจจัยเงินทองพระก็บอกว่าให้นําไปให้กับวิยาวัชกรผู้ทํากิตุลาแทนสงฆ์นะคณะสงฆ์เป็นคนบริหารงบตรงนั้นเฉยๆนะ่ะอา่าเราก็ผ่านวิยาวัชกรอย่างนี้ส่วนเข้าของก็ ตามหรือตามไดนะ้อย่างนี้ถ้าได้จีวรมาปุ๊บให้ทํำยังไงผู้เจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุกได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ตมก็ได้ของดําล้าก็ได้เราก็ไปคุกในโคลนในของเขียวครามดำำํำล้ําเช่นน้ําย้อมฝากน้ําที่ได้จากเปลือกไม้กันไม้ลูกไม้ใบไม้ถ้าภิกษุกไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสี3มอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่ปรับอบัดไปจิตติ ดังนั้นถ้าพระเนี่ยได้จีวรมาแล้วเนี่ยเอามาย้อมด้วยน้ําฝาดสีจีวรพระจะเหมือนกันทั่วประเทศสีมันจะออกมากลืนๆเหมือนกันหมดนะนั้นวิธีง่ายๆคือพอกลับมาทําตามพระาศาสดาปุ๊บเนี่ยพระจ ะ, ะ, จ, ะจะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยบาดจีวร อ, อะไรต่ออะไรจะเหมือนกันหมดนะเพราะพระเจ้าเนี่ยบัญญัติวิธีไป ห, หมดแล้วนะเราเคยใช้น้ําฝาดหลายๆหลายๆรูปแบบ สีมันก็ออกมาเหมือนๆกันมันก็แปลกเหมือนกันมันไม่ตรงกันเป๊ะแต่มันจะออกมาเป็นสีโทนเดียวกันนะอันนี้จะถามอีกคำถามครับพระอาจารย์ชูประเด็นพุทธวจนะครับ<ม>นี้มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะได้คำสอนของสาวกนะครับพระอาจารย์เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนสาวกไม่มีคําสอนเนี่ยพระุทธเจ้าเคยบอกแล้วว่าคําสอนสาวกนี้ ค, คือถ่ายทอดคำสอนจากพระ พ, พุทธเจ้ามาอีกทีนะใช่มันอยู่ที่ใครถ่ายทอดผิดแค่นั้นเองอใช่ไหเวลาสาวกพูดไม่เหมือนกันโยมไม่สงสัยเราว่าจะตัดสินยังไงใช่ป่ะเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสิน น, นั่นคือต้องเอาพุทธวจนะมาเป็นตัวตัดสินนั่นเองเพราะสาวกไม่ใช่คนบัญญัตินี่ใช่ไหมกราบอขอบคุณ <laughs> อาจารย์ครับ โอกาสครับพระอาจารย์อยินดีครับอ่าเอให้พระอาจารย์สัญยาอันนี้สูงแห่งการทําทานฮะแล้วก็มีคําถามถามว่ากา้ทําทานในการสร้างโบสถ์พระวิหารนี่นะฮะได้บุญมากฮะแล้วสร้างโบสถ์กับสร้างพระเนี่ยเหมือนกันไหมครับครูเจ้าไม่เคยอธิบายเรื่องการสร้างพระไม่มีไม่มีอ่ะถ้าสร้างพระพุทธรูปมันไม่ได้ไม่ได้อยู่หมวดเดียวกันกับโบสถ์ครับ ไม่เคยมีคําสอนมาศาสดาตรงนี้ถ้าโยมหาเจอช่วยหายอาตมาด้วยอาตมาหาไม่เจออยู่แบบหมดเดียวกันเพราะว่าไม่ได้เคารพถึงพระพุทธพระเจ้าอะไรงี้การเคารพถึงพระเจ้าผู้เจ้าให้ใช้อะไรเป็นศาสนาแทนต่อไปทำมาทำวินัยที่โรงตัดไปดีแล้วนนั้นจริงจริงโยมต้องสร้างหนังสือธรรมะให้มดมา นั่นคือตัวทําวินัยคือตัวพระศาสดาที่ถูกต้องแต่ก็คงมีอนุสวงบ้างใช่ไหครับอาจารย์เอ่าก็ไม่ได้บัญญัติอะเลยไม่รู้จะบอกได้ยังไงครับผมบอกเฉพาะที่ผู้เจ้าบัญญัติดีกว่าครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอฮะดเสะยปีดกที่ว่าสสมเ่ตอนนี้เสร็จหมดแล้วยังยังเลยพิ่งจะคลอดเล่มแรก ไม่ใช่ในใพูดถึงว่าในเนื้อหาที่บอกว่าท่าเฉพาะคำพุทธเจ้าล้วนเนี่ยเพราะมันมีคนอยู่ที่ทำคาถาใช่มคับใชะใช่คือเนื้อมีมีหมดแล้วอยู่ในบาลีสยามรัฐนนั่นเองแต่มันเองเป็นสิทิพาลิมอ่าใช่ใช่เพียงแต่เราดึงก็ปี้เนื้อหาเฉพาะในส่วนคำศาสดามาล้วนแค่นั้นเองมีมีมีมีมัมยมีมีมีมมีมีมีมีมมมม มันต้องมีตัดตกอะไรต่ออะไรอีกเนี่ยลังเสร็จเล่มแรกเนี่ยเนี่ ย, ย, ยกลุ่มๆุมนี้เขาทำ <laughs> ช่วยกันทําคือพอบอกหลักการปุ๊บ ก, ก็จะเข้าใจว่าคำํำผู้เจ้าสังเกตยังไงอยู่ตรงไหนเวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าดูวลีคําพูดดูก่อนพี่ซูงหลายพวกนี้จะเป็นคำํคำผู้เจ้าคําที่ขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าเขาจะอธิบายคำํำผู้เจ้าอีกทีคําพวกเนี้ยอย่าไปฟังอย่าไปสนใจเพราะเป็นคําที่คนในยุคนั้นนั้นเนี่ย พยายามพูดและอธิบายขึ้นมานะอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่เนื้อแท้ค้เชิร์ชแล้วพบว่าคำจะล้วนๆเลยอาจจะเชื่อ่ต้องไมด้กดีใช่ๆก็กำลังจะทำเพื่อให้พวกเราเนี่ยสะดวกไงอาจารย์คะอเอ่อวิทยากรที่พอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเจ้าชายสิทธิธรรนะคะแล้วตอนนี้เนี่ย น, นะคะสมมติว่า เกิดมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานแล้วมีลูกมีสามีซึ่งเป็นครอบครัวที่ดีปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะแล้วอยากจะออกไปแบบละทิ้งทุกอย่างลูกกับสามีเพื่อมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวอันนี้พระอาจารย์จะอธิบายกับผู้หญิงคนนี้ว่ายังไงคะว่าสมควรจะทํำยังไงหรืออะไรยังไงคืออย่างนี้ผู้เจ้าเนี่ยเป็นเป็นคนแรกที่ยังยังไม่มีใครคิดคนตรงนี้นะอ่า แต่ทันี้ว่าเมื่อพระองค์เนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์บอกวิธีในการบรรลุธรรมซึ่งมีหลากหลายโดยที่อยู่ในเพศฆราวาสก็ทําได้ไม่ทราบว่าผู้ชายคนนั้นที่มีครอบครัวแล้วได้ทราบพระสูตรเหล่านี้บ้างหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นอริบุคคลได้ภายใต้ความเป็นฆราวาสเพราะหลายคนยังคิดว่าต้องออกมาบวชเท่านั้นจึงจะเป็นอริบุคุณได้ต้องถามนโยบายชีวิตก่อนเขาจะเอาอะไรก็จะพาาระรหันต์หรือเอาโสดาบัล เขารู้ไหมว่าโสดาบันเนี่ยก็ผู้เจ้าประกันแล้วว่าเกิดอีกไม่เกินเจดชาติจะได้เป็นพระหลานแล้วโสดาบันเนี่ยอยู่ในเพศของเร า, าได้ไหมได้ <c oughs> แค่มีศีลห้าบริบูรณ์และเลื่อมสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและผู้เจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรรยามีภริยาได้เห็นไหมข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุตรเจริญด้วยศรัทธาการสั่งสมสุตตะ จเจริญด้วยใจค ะ, ะเจริญด้วยศีลเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้เนี่ยถ้าเขาทราบอย่างนี้แล้วเขายังจะออกบวดนั้นก็เรื่องของเขาและแต่ถ้าเขาทราบอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเออยังมีหนทางแห่งการบรรลุธรรมนะเอาชนะความตายโดยที่เราไม่ต้องละลูกเมียไปนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกเมียเขาใช่ไหมซึ่งจะมีพระสูตรที่จัดว่าเนื้อที่นอนจมบวงแต่ไม่ติดบวง คือเข้ายังอยู่ในรูปเสียงกินรสแต่ไม่ติด ก, กับรูปเสียงกินรสเพราะอะไรเพราะเนื้อตัวนั้นเนี่ยอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงด้วยการหนึ่งเห็นอัศาธาของกันทาเห็นอาทินวะโทษของกันทาและเห็นนิสระณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากกันทาตามที่เป็นจริงคนนี้เอาตัวรอดได้นะขอบคุณค่ะเป็นผู้หญิงค่ะที่คิดอย่างนี้คือจะจ ะ, จะละทิ้งลูกแล้วก็สามีซึ่งลูกก็ยังเล็กอยู่ ใช่ไหมคะโยมก็เลยอธิบายว่าต้องเอาทางมันต้องเป็นได้ทั้งทางโลกทางธรรมก็เลยอยากต้องการคำ อ, อ, รรอธิบายที่ชัดเจ น, นะคะ่ะเพื่อจะได้อธิบายเข้าอีกทีหนึงว่าให้ให้เขารับรู้ตรงนี้แล้วให้เขาตัดสินใจอีก็กได้ออเดิน อ่าประเด็นอื่นมีไหมถามเก่ง นั่งสมาธิก่อนเลิกไม้สักพักหนึ่งทาความรู้อยู่กับลมหายใจของเรานะ กับลมหายใจเข้าออกกันนะหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำความรู้พร้องเฉพาะซึ่งกายทั้งกลวงทำการสังการให้ลํางับ คนออกจากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาให้แกสรรสัตว์ทั้งหลายเป็นพรมก็ดีเทวด า, าก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีนรกกำหนดโดยฌานเปลตวิสัเยเขาทั้งหลายมีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทําในครั้งนี้ ปรารถนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาถวายทานรักษาศีลนัน่งสมาธิจเจริญภาวนาและสั่งสมสุตต์ในการของพระธถามกฏก็ขอให้ทุกๆคนที่ได้สร้างเหตุปัจจัยมาดัางนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ประสบกับสิ่งที่ตนเองปรารถนาเป็นธรรมเป็นวินยัยมีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ที่สุดกยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเข้าถึงความไม่ตายอมาตะธรรมในปัจจุบันาชาติอันใกล้นี้เทน